จเจริญธรรมทุกๆคนรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วณบัดนี้วันนี้วันอังคารที่30กรกฎาคม2556หแรม8ค่ำเดือน8ปีมษเส็งอตมาก็เกิด8ค่ำแรม เกิดแรงแปดค่ำจะเดือนเจ็ดเกิดแรงแปดค่ำเดือนเจ็ดพี่จ อ, อวันนี้อาตมาก็ก่อนจะได้เริ่มต้นรายการก็ขอแจ้งข่าวข่าวคราวอา จ, อจอจอดจวหน้าหัวนี้ไว้ก่อนเพื่อวัน ต, ต่อไปก็จะได้ตัดตรงหัวนี้ออกซะ เพราะมันจะล่าสมัยไงข่าวนี้ก็มันมีตอนนี้เพราะว่ามันจะมีรายงานแต่รายงานนี้จะเป็นรายงานบอกว่าจะมีจัดงานกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ที่สันติอโศกลานฟังธรรมาลานอัสนหินนะลาน อะไรไปที่นั่นแล้วก็จะเห็นสันติอาโศพมีลานเจ้าแจเด่นๆอยู่นั่นนะ่ะมีน้าตกนกรองอยู่ตรงนั้นนะจะมีางานนะเป็นงานที่จะจัดขึ้นอ่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้ได้รับความจริงน่ะเกี่ยวกับพวกเรา โดยเฉพาะตัวคุณวีระสมความคิดที่เป็นผู้ที่ เ, เป็นตัวเรื่องของของงานที่จะจัดพ่กนีน้งานมันมีกำหนดการอย่างที่ขึ้นไปในจอนั น, นเวลาสิบสามนาฬิก า, าจะมีการธรรมนำสู่กิจกรรมเป็นธรรมนำสู่กิจกรรม มนุษยทำไรพรมแดนเทศสามสิบนาทีบรรยายสามสิบนาทีส ม, สมณเพระพุทธจันจเทเสดโถเป็นพุทธเทศสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีก็มีดนตรีพระอิสระภาพดนตรีพระอิสระภาพมีระสมความคิด2ี้านาทีเพื่อนศิลปินก็จะแสดงดนตรีนั้นเวลาสิบสามนาฬิกาห้าสิบห้านาที เป็นมาเป็นอยู่เป็นไปวิระสมความคิด45นาทีรายการนี้นารายการเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปวิระสมความคิดเออวีระสมเขาเกี้ยเขาจะเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเราจะเป็นไปอย่างไรเนาะก็มีผู้ร่วมพูดคุยกันมีอาจารย์วริษชินสายคุณจุราสุบรทัศน์คุณพิษอัมภัยสมความคิด นะดำเนินนำดำเนินรายการโดยคุณตายแน่มุ่งมาจนนะ14นาฬิกา40นาทีดนตรีเพื่ออิสระภาพวีราสมความคิดอีกเพื่อนศิลปินก็จะว่ากันไป20นาทีสำหรับแล้วเวลา15นาฬิกาก็จะเล่าสารทุกของคนคุกนะจะเล่าสารทุกของคนคุกใน ต่างแดนนะและคนดูแลคนเยี่ยมนะจะเล่าสู่คนฟังหมดสาระทุกสุขติบของคนคุกเองคนต่างแดนด้วยคนดูแลด้วยคนเยี่ยมด้วยนะผู้ร่วมเวันนี้รายการนี้ชั่วโมงยี่สิบนาทีเนี่ยนะชั่วโมงยี่สิบนาทีมีผู้ร่วมรายการอยู่ทั้งหลายคนพระวัฒนาอภัสรพโพธินายแพทย์นิรันติพิทักษ์เวชระคุณเจริญ หมูกระจรพันนายแพทย์กุศลประวิทย์ภัยบูลทันตแพทย์หญิงสุธิโอเคชายขออภัยชายทันตแพทย์ชายสุธิฮะหญิงเอสุธิฮะชายผู้หญิงจะชื่อสุธิเลอนะทันตแพทย์สุธิกิรติกิรติเถียนไก่แมลงสาบ คุณปรีดาเตียสุวรรณดำเนินรายการก็คุณตายแน่มุ่งมาจนตามเดิม16นาฬิกา20ดนตรีเพื่ออิสรภาพวีระสมความคิดน้าเพื่อนศิลปินเป็นผู้นำเป็นผู้ แ, แสดงดนตรีนั้นๆใน20นาทีแล้วก็ 16-40 นาที แม่ตารางนี่มันไม่มีวักเว้นเลยนะชนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะทำกันได้จริงๆไม่มีเวลาหายใจเลยลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะเนี่ยแต่และรายการนี่จัดปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บรายการสุดท้ายเป็นรายการขอบคุณจากใจครอบครัวสมความคิดยี่สิบนาทีขอบคุณจากครอบครัวสมความคิดแล้วก็สรุปรับมอบสิ่งของครอบครัวกล่าวขอบคุณ่า ก็เปิดพื้นที่แสดงออกเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะงานนี้ก็คงไม่รับเงินรับทองอะไรกันนะไม่ใช่จัดงานเพื่อจะได้รับเงินรับทองอะไรเป็นการแสดงกำลังใจกันเท่านั้นไม่ได้ไปแสดงเพื่อที่จะรับเงินรับทองอะไรก็บอกแจ้งกันไปในสาบ ต, ตัวกันนะเป็น ก, นการจัดงานผู้ใดสนใจเชิญนะที่สันติอโศก รุ่งนี้ตั้งแต่เวลาบายโมงเริ่มจะไปก่อนก็ได้นะไปนั่งพักนั่งผ่อนไปพภพาปลาใสาเป็นที่สันติสุขนั่นก็ได้มีที่ให้พักให้พรนั่งสบายนะมีน้ำตกนกร้องนะมีไอ้น้ำมีหมอกนะมีหมอกนะมีหมอกใหนะ้เย็นเย็นสบายๆมีลานทรายมีน้ำไหลนะไฟสว่าง แต่กลางวันไม่ต้องเปิดไฟหรอกก็เชิญอนะนี่เป็นข่าวคราวที่จะเริ่มต้นก่อนเอาไว้ก็ไว้ตัดออกเวลารายการพรุ่งนี้ยังพูดยังเปิดได้เช้าเพราะว่ามันยังเป็นรายการบ่ายน่นนาะพรุ่งนี้เช้ายังเปิดได้ก็เจ้าหน้าที่ตัดออกเสียนะเพราะว่ามันจะล่าสมัยนะอ้าวทีนี้ก็ มาเข้าสู่รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็เช่นเคยวันนี้รายการสงครามสังคมเราก็มีตอบประเด็นตอนท้ายแต่จะมีเวลาตอบทักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันจะยาวหน่อยนึงตอนที่จะพูดคนเดียวเนี่ยเอาทั้งนั้นก็ตามก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผู้จะส่งประเด็นเข้ามาตามธรรมเนียมผู้จะส่งประเด็นเข้ามาได้ทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์คือ08858 5 9 1เกกับ0885859118หสองหมายเลขด้วยกันนะเอาทวนอีกทีหนึ่ง0 8นย์แหกนึ่งหนกับ0885859118หนึ่งสองหมายเลข เอาทีนี้มาเริ่มต้นเลยจะไม่ชัดชาแล้วอัตมาก็ได้รับ s อ s เอมเอของคุณเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่อีกโอ้โหมาอีกเกือบสามหน้ากระดาษอัตมาก็ว่าจะไม่อ่านแล้วนะแต่ก็มันก็สงสารนี่นะก็เลยว่าอา้าอ่านก็อ่านอุตส่าห์ทำมาตั้งยาว อาตมาก็จะอ่านให้ฟังเท่านั้นไม่แทรกไม่แยกไม่แยะอะไรในขณะอ่านแ ต, แต่อาตมาจะไปตอบเอาตอนท้ายแบตอบเอาตอนท้ายฟังดนะูฟังตั้งใจฟังดีๆแล้วอาตมาจะไปอ่านไปตลอดเลยแล้วก็จะวันนี้จะอธิบายเอาอาศัยของคุณนี่เป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเขา แล้วอธิบายเข้อเนื้อหาไม่ตอบคำไม่ตอบโต้คำระหว่างคำระหว่างคำอะไรก็หลอกนะก็จะพูดให้คลุมคลุมข้อเนื้อหาสาระให้ชัดชเดน่นเจนไปนะเอฟังดูนะถ้าเผื่อว่ามาีทางด้านโน้นมีอยู่ก็เปิดให้ทาง อ, าอินเตอร์ก็ไปให้ใหใหทางโน้นอ่านไปพลางไม่ต้องดูหน้าธรรมาก็ได้นะ อัตมาฟิลิกจัดอยู่แล้วฟังเสียงก็พอ <c oughs> อาสมัยที่เรายังเป็นปุตุชนอยู่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าว่าอย่างนั้ น, นสมัยนั้นนะเนี่ยวันสะอนทานนะสมัยที่เรายังเป็นปุตุชนอยู่ครั้งหนึ่งทุกขเวทนาอันแรงกล้าได้เกิดขึ้นแล้วกับเรา จำนวนยังกามาจากพระแต่ปิดกเลยนะครั้งหนึ่งทุกขเวทนาอันเกิดอันแรงกล้าได้เกิดขึ้นแล้วกับเราและเรานั้นรู้สึกกระหายน้ําเป็นอันมากาเรานั้นรู้สึกกระหายน้ําเป็นอันมากฟังดีนะกระหายน้ำนะแต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะลุกขึ้นไปหาน้ํามาดื่มเองได้ตอนนั้นไม่มีเรี่ยวแรงพอ ยังเป็นปุตุชนอยู่ตอนนั้นแล้วก็กระหายน้ําแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอนะฟังนะว่ามันมีสองอย่างหนึ่งกระหายน้ําอาการของจิตนะสองอาการไม่มีเรี่ยวแรงพอไอไม่มีเรี่ยวแรงนี่ไม่มีเรี่ยวแรงจริงหรือมันมีใจไม่ใจเกี่ยวกับใจด้วยมันมีใจจะเดินเปล่าไม่รู้สองอย่างนะนะเป็นเรื่องของน้ำเป็นเรื่องของน้ำกายทั้งคู่แหละนะ แต่เราก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะลุกขึ้นไปหาน้ำมาดื่มเองได้เราจึงได้ตั้งสติเพ่ง น, นี่แหละรติเพ่งก็เพ่งไปที่ทุกขเวทนาอันนั้ น, นไปที่ทุกขเวทนาก็ไม่รู้ว่าเพ่งอันไห น, นเพราะมีสองอันนัตมาบอกแล้วอันหนึ่งกระหายนา้าอีกอันหนึ่งไม่มีเรี่ยวแรงก็ไม่รู้ว่าเพ่งไปตรงไหน <S <S ได้จึงได้ตั้งสติ <S <S เพ่งไปที่ทุกขเวทนาอันนั้น เนี่ยเบิเบิงนี่เนี่ยพวกที่อยู่ในหลุมดำเนี่ยจะไม่ค่อยจะเห็นอะไรมันมืดๆนะมันก็ไม่ค่อยรู้อ่าเพ่งไปที่ทุก์เวทนาอันนั้นโดยเพ่งมองเวทนานั้นอย่างตรงๆตรงด้วยนะไม่รู้ไปตรงอะตรงไหนสองสองนนเนี่ยหนยากน้ำสองไม่มีเรี่ยวแรงนะมันก็มีสองสองจุดที่มันทำให้เป็นไปนไม่ได้นะก็เลยไม่รู้ว่าเพ่งไปตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นหรือเพ่งสองแยก2แยกเลยนะเพ่งสองแยกหรือเปล่าไม่รู้นะ เพ่งไปที่ทุกเวทนาอันนั้นโดยเพ่งมองเวทนาบอกว่ามองเวทนาด้วยนะฟังดีๆนะแม่เก่งนะอ่านเวทนาในเวทนามองเวทนาเลยเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเวทนากับการกระหายน้ําเนี่ยการกระหายน้ำมไม่ช่เว ท, ทนาการกระหายน้ำนี่เป็นตัณหาการกระหายน้าเป็นตัณหาเวทนาก็คือสุขคือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นคืออย่างนี้แหละ พยายามจะเอาพยัญชนะมาว่าแต่มาแต่ที่มันจะเห็นเพี้ยนไปเพี้ยนมาเรื่อยอยู่เนี่ยชัดเจนะตั้งสติเพ่งไปที่ทุกเวทนาอันนั้นโดยเพ่งมองเวทนานั้นอย่างตรงตรงแบบไม่ลดละเพ่งไม่ลดละเลยนะเอาเป็เอาตายเลยหรือยักย้ายสติไปที่อื่นเลยไม่เพ่งไม่ยักย้า ย, ยนะชับพลันนะชับพลันเลยนะอะปัญญาก็ได้เกิดขึ้นแก่เรานี่แมจิกคลี่เกิดแล้วตอนนี้ แม็กิคัลลี่คือทับพลันเลยนะเกิดปุ๊บป๊บมือนะเนรมิตขึ้นมาเลยปัญญาก็เกิดเลยเนีย่ยมีปัญญาเกิดขึ้นแก่เราทําไม่เห็นได้ว่าทุกขเวทนาอันนั้นก็ไม่ใช่เราของเราอ น, นั้นแน่เพ่งไปแล้วปุ๊บัญญ๊บเลยเกิดแม็กคอรี่ขึ้นมาเลยเกิดมหัศจรรย์ขึ้นมาเลยเห็นเลยเกิดปัญญาขึ้นมาปุ๊บเลยว่าเอ๊ะทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราเออไม่ใช่ของเรานะเนี่ย มันมันไม่ใช่ของเราตั้งตั้งที่มันทุกข์อยู่นะมันก็ปวดอยู่มันก็อยากน้ําอยู่หรือมันก็เดินไปไม่ไหวอยู่นะแต่ก็เพ่งแล้วก็บอกทุกข์นั้นไม่ใช่ของเรานี่เราคือตะ ก, กัแท้ๆอัตมาไม่เชื่อเร ว, ว่าความอยากนั้นหายไปแล้วหรือว่าไม่มีแรงนะั้นลุกขึ้นมีแรงแล้วเอาไปเอาน้าหรือไปเอาอะไรก็ได้แล้วอะไรอัตมายังไม่คิดยังไม่เชื่ออทุกขเวทนานะั้นก็ไม่ใช่ของเราใช้ตะกะดพวกนี้มาล้มล้างและเมื่อรู้ดังนี้แล้วเราจึงรู้สึกโล่งอกน้ เอาคาถานี้มาไล่ไปเลยเมื่อก็ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันส่วนใหญ่มีสติสัมปชัญญะมีสติรู้รู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยรู้และ ว, วางรู้ปล่อยวางเป็นคาถาเขาก็ทำได้เขาก็ใช้กันอยู่เป็น ส, สมถะลืมตาเราจึงรู้สึกโล่งอกเพราะเหมือนว่าเนยกภูเขาออกจากอ ก, อกแล้วจึงไม่เป็นทุกข์กับเวทนานั่นอีกต่อไปเหมือน ยกภูเขาจะออกไม่ทุกข์ล้ไม่ทุกข์ ก, กับเวทนานี้แล้วและความคิดทั้งหลายก็หยุดลงทันทีพอพออาการที่แหมพอคิดแม่เกิดมสั์มหัศจรรย์ปัญญามันเกิดขึ้นมาว่าโ อ, โอ้ไอ้ทุกอย่างเวทนา น, นี้ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็หายไปเลยเป็นทันทีเลยแล้วความคิดก็หายไปทีนี้ความคิดทั้งหลายหยุดลงทันทีพร้อมกับมีญาณ เนี่ยยานปัญญาญยานบอกให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนฟังอีกนะเล่าเป็นระดับขั้นตอนที่ละเอียดบอกให้รู้ก่อนว่าทุกจะดับแล้วนะนี่สกสิปบอกกระซิบกระซาบบอกเลยว่าระวังนะตอนนี้ทุกจะดับแล้วนะจะดับแล้วแต่ยังไม่ดับนะตอนนี้จะตัดจะดับนะบอกโอ้โหอธิบายกันสี่ร้อยเฟรมต่อชุ่ววินาทีเลยนะเนี่ยนะทุกจะดับแล้วนะและฉับพลันนั่นเอง ความรู้สึกทั้งหลายก็ดับบูบลง ท, งทันทีพอนึกขณะดละนึกแต่ว่าทุกจะดับเท่านั้นนะอะความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกทั้งหมดเลยนะเวทนาความรู้สึกทั้งหมดก็ดับบูบลง ท, งทันทีดับเลยมืดไม่เห็นเรื่องไม่เห็นอะไรเลยแต่จะดับไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเขาดับแล้วก็ไม่รู้ว่าดับไปนานแคดับบูบเลยโอ้โฮมันแมจิคข้จริงๆเลยเนาะลึกลับจริงๆยังก็เล่นมหัศจรรย์ คนเม็ ก, มกเชียนขึ้นมาเล่นปุบป๊บปุ๊บปุ๊บเล่นกลนะ น, นะมาปับปป๊บห า, าหายไปปั๊บหายมาหายไปให้มาเลยนะจะดับไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าพอเริ่มมีความคิดเกิดขึ้นว่าจะปรากฏดีไหมเนาะเออโอ้โหละเอียดนะพอเริ่มมีความคิดคมมเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นเท่านั้นว่าจะปรากฏดีไหมเนาะเท่านั้นเองแหละ ความรู้สึกทั้งหมดก็กลอบมาทันทีโอ้ดับไปปุ๊บกลับมาใหม่ปุ๊บเลยโอ้โหอัตมาเห็นฮูดินนี่ปรากฏขึ้นเลยนะเนี่ยรู้จักฮูดินนี่ไหมนักเล่นกลมือเอกของโลกดังทั่วโลกแล้วนะฮูดินนี่เนีน่ย น, นักเล่นกลมือเอกไปวักอ่าเปิดปุบป๊บนี่ช้างตัวโตป๊บป๊บเอาไปสละช้างหายไปเล่นได้อย่างโอ้โ ห, หายวับไ ป, ป็นตีนะ น่ามหัศจรรย์เนา ะ, อะโอ้โ ห, โหนี่คือมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องแมจิกมันเป็นเรื่องที่ลึกลับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องปแปลกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปเดี๋ยวมาวับภายเดี๋ยวมาวับมีอะไรแต่พวกเนี้ยอย่เนี้ยเป็นวิช า, าที่อาตมาหน้าสงสารคนที่ศึกษาพวกนี้กันแล้วเขาก็โอ้โหข้างใล้ลงไหลอันนี้กันมันมหัศจรรย์มันแปลกแต่เขาก็เป็นนะจริงๆนะเป็นนะจากนั้นจึงได้ทบทวนดู พอเสร็จแล้วก็ทบทวนดูกับปรากฏ ก, การณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าพอเสร็จแล้วก็ทบทวนดูว่าอ๋อมั น, เ ป, น, นเป็นอย่างงี้เป็นยะังไงอก็เข้าใจเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายที่ดับลงนะความรู้สึกทั้งหลายที่ดับลงก็คือวิญญาณทั้งหกดับหมดนั่นเองนะนี่คือวิญญาณดับนี่คือวิญญาณดับนะวิญญาณดับเป็นอย่างงี้นะเหมือนปิด เดี๋ยวก็จะอธิบายเหมือนสับสุิตปปลดปลักปลดไอโยกไปอ่ะคัดเอาลงมานี่เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเลยเห็นไหมเราเคยเคยอธิบายมาแล้วปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยซึ่งมันไม่มีเหตุนี่ผลไม่มีอิทัิปัจจยตาไม่มีอันนี้เป็นเหตุอันนี้ไม่มีอันนี้เพราะอันนี้อยู่เป็นอันนี้เพราะอันนี้อยู่เป็นนี้ไม่มีมีแต่ลึกลับมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแบมาแล้ว โอ้เขาอภัยคุณแต่จะซูน่าที่อาตมาหัวเราะไปนิดหน่อยความรู้สึกทั้งหลายที่ดับลงก็คือวิญญาณทั้งหนั้นดับหมดเองนั่นเองซึ่งจะแตกต่างไปจากการนอนหลับวิญญาณดับนี่จากไปวิญญาณดับนี่แตกไปจากแตกต่างไปจากการนอนหลับเพราะในระหว่างที่หลับนั้นฟังให้ดีนะในหว่างที่ดับหลับหลับนั้นไม่ใช่ดับในระหว่างที่หลับในระหว่างที่หลับนั้นมโนวิญญาณย่อมจะยังไม่ดับ หลับนี่มโนวิญญาณไม่ดับนะหลับนี่มโนมโนวิญญาณไม่หลับไม่ดับหลับแต่มโนวิญญาณไม่ดับนอนหลับและเราก็รู้อีกว่าเราก็รู้อีกว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดความรู้สึกทั้งหลายหรือเกิดเจ้าวิญญาณทั้งหกนี้ขึ้นมาได้ปัจจัยที่ทําให้เกิดวิญญาณหกนี้เกิดขึ้นมาอีกก็คือเจ้าตัวสังขารเจ้าตัวสังขารหรือตัวความคิดนี่เองเพราะเพียงแค่คิด เพราะแค่ความคิดที่ว่าจะปรากฏดีไหมเนาะเนี่ยแต่ความคิดจะปรากฏดีไหมเนาะซึ่งยังไม่ทันที่จะตัดสินใจด้วยซ้ำํำนะยังไม่ทันใจว่าความคิดเขาแค่ความคิดว่าจะเกิดดีไหมเนาะมันก็เกิดฟุ่มแล้วโอนี่ไวมังคับมันไม่ได้นะว่าจะปรากฏดีหรือไม่ปรากฏดีความรู้สึกทั้งหมดก็กลับมาทันทีเพราะแคะ่จะปรากฏดีไหมเนาะ แล้วมันดีแล้วไม่ดีกันไม่รู้ ถ, ถ้าม um ันไม่ดีมันก anyway. ็สวยเนาะถ้าม so so ันไม่ดีมันก็ปรากฏถ้ามันดีมันก็ยังค่อยชั่วถ้ามัาปรากฏเพราะมันไม่รู้นี่ไม่ได้ไปไม่มีสิทธิอะไรเลยปล่อยให้มันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแค่แต่บอกว่าเออปรากฏดีไหมเนาะแค่นั้นเองมันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่ดีมันก็สวยไปเลยถ้ามันดีมันก็ยังดีไปนะความรู้สึกทั้งหมดก็กลับมาทันทีหรือคือเจ้าวิญญาณทั้งหงก็ปรากฏขึ้นมาทันทีนั่นเองอ่านี่ฟังดีๆ เรื่องที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะอธิบายคำว่าวิญญาณให้ชัดๆเพราะเป็นคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยากนั่นเองใช่ๆชคุณเองแปดเดูนห้าก็ยังไม่เข้าใจจึงต้องขออุปมาว่าสมมติว่านี่เห็นไหมเป็นอุปมาไปเป็นคือเอานามไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเทียบเอารูปมาเทียบเอารูปอารูปธรรมม า, มาอธิบายนามธรรมา จึงขออุปมาว่าสมมติว่าที่บ้านหลังหนึ่งมีดวงไฟอยู่หกดวงเห็นไหมดูแล้วพระเคยพูดมาแล้วมันเคยคือตามหูจมูกดินกายใจซึ่งเมื่อดวงไฟทั้งหกดวงสว่างอยู่ก็เปรียบเหมือนเกิดจากขปิญญาโสตวิญญ า, โญญามโนปิญญาณนี่ยแหละจุดจุทุกปิญญาหกดวงนี่แหละแต่พอยกคัดเอาลงเห็นไหมยกคัดเอาลงดวงไฟทั้งหกดวงก็ดับพึบลงพร้อมกันทันทีเพราะคัดเอาก็เปรียบเหมือนเจ้าตั ว, ตวความคิด คือจิตสังขารอาเรียบอันประธานอันเป็นประธานของกายสังขารและวิจิสังขารมองเรปิดซึ่งเมื่อหยุดคิดแล้วคือเล่นหยุดคิดเฉยทั้งๆที่ศาสนาพูดไม่ต้องหยุดคิดหยุดนึกอะไรหรอกรู้ตัวร้ายขาดตัวร้ายออกคิดได้คล่องแคล่วเป็นปริสุทธาปรโยธาตามุทุกกรรมัญญาปรพัสราเลยเป็นอุเบกขามันมีอุเบกขาแล้วแล้วก็ทํางานได้อย่างคล่องแคล่วปราเตียวมีมุทุ ภูตามีทุพุทธาตุหรือมีพุทุพูเตะกรรมณีเยที่เตเนชปฏเตยังเจ้าเลยนะเนี่ยอาตมาเอาวารีเก่าๆที่เคยอธิบายการเป็นสมาธิการเป็นอุเบกขามาอธิบายให้ฟังนะจึงเป็นของพระเจ้าตัดสรุปทั้งนั้นแหละแต่ทุกุนนี่ยังไม่มีรักษาพวกนี้เลยดับไม่หมดเลยนะดับความคิดดับสังขารซึ่งมื่หยุดคิดแล้วก็เท่ากับว่ายกคัดเอาลงใชนะยกลงมันก็ไม่สวิต ออฟมันก็ไม่มีอะไรมันก็ตัดอันเป็นปัจจัยให้ความรู้แจ้งแห่อันเป็นปัจจัยให้ความรู้แจ้งทั้งตาความรู้แจ้งท้งหูความรู้แจ้ทงทั้งจมูกความรู้แจ้ท ง, าจ ท, างาจทางลิ้นทางกายและใจคือวิ ญ, ญญาณทั้งหกนั้นย่อมดับรูปลงแม่พูดถูกถูกถูกเ ป, ป๊ะเลยนะอย่างนี้ใครจะไปผิดเนา ะ, ะยกตัวอย่างได้เป๊ะเลยนะอารูปธรรมมาแล้วอรูปธรรมนี่เองก็ยังบอกว่าดับนะ ดับเวทนาคือดับไฟดับหมดเลยซึ่งต่างกันกับพวกเราที่ยิ่งสว่างยิ่งมีจักรุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างแต่ของเขาเนี่ดับนิโรดนี่เขาดับเงี้ยดับปึ๊บลงไปเลยจึงเรียกเป็นภาษาแบบง่ายๆว่ า, าเรียกภาษาแบบง่ายๆว่าความรู้สึกทั้งหลายดับบูบลงนั่นเองความรู้สึกทั้งหลายดับบูบลงนั่นเองทั้งนี้เพราะเมื่อวิญ ญ, ญาณทั้งหกดับลงแล้วจึงไม่เป็นปัจจัย พอมันดับหมดแล้วนะวิญญาณก็หดดับลงจึงไม่เป็นปัจจัยให้เวทนาคือความรู้สึกทั้งหลายใดๆจะเกิดขึ้นมาได้แน่นอนก็มันดับหมดทั้งยวงแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละฉะนั้นจึงได้พูดไปว่าความรู้สึกทั้งหมดดับรูปลงซึ่งภาษาธรรมจารีสภ า, านี้ว่าวิคัมพนาวิมุตต์นั่นเองอแปลว่าดับหดคมก็ไม่ผิดนะวิคัมพนาวิมุตต์คือ คมันไป ม, มันดุมมันดับไปเลยดับไปทั้งยวงด้วยคมเฉพาะกิเลสนีนะ่พุทธก็ทานะเป็นคำพนัประหารก็ประหารตัวเหตุปัจจัยท่านั้นไม่ได้ไประหารเวทนาทั้งเวทนาไม่ได้ประห า, า, าไไรหาไปทั้งหมดทั้งยวงถึงตอนนี้จะขอถามโพธิรักว่ากระแสไฟที่วิ่งอยู่ในสายไฟฟังดีนะเขาแยกแยกเลยกยกแล้วอ่ออันนี้กระแสไฟที่วิ่งอยู่ในสายไฟนี่หนึ่ง กับความสว่างของดวงไฟที่สองอันหนึ่งอันสองคือสิ่งเดียวกันใช่หรือไม่เออเออโพธิรักษ์จะตอบได้ไหมนี่สิ่งเดียวกันหรือเปล่าเนาะถามโพธิรักษ์เนี่ยเอ้าเอาไม่ตอบเขาถามมายังไม่ตอบนะอ่าถึงเดียวกันใช่หรือไม่โพรธิรักษ์ขาถามโปธิรักษ์ว่ากระแสไฟที่วิ่งอยู่ในสายในสายไฟกับความสว่างกระแสไฟที่วิ่งอยู่ในสาย กับความสว่างของดวงไฟคือสิ่งเดียวกันใช่หรือไม่ย่อมไม่ใช่สิ่งเดียวกันเขาก็ตอบเองย่อมไม่ใช่ซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่ใช่สิ่งเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นวิญญาณก็เปรียบเหมือนกระแสะไฟที่วิ่งอยู่ในสายวิญญาณ น, นี่คือกระแสะไฟยู่งในสายซึ่งเป็นอสรีรังไม่เห็นไม่มีรูปร่างกระแสะไฟไม่มีรูปร่างเป็นอสรีรังที่จริงฟิสิกนี่เขาสัมผัสได้ มีสภาวะมีไอเสมีสรีรังเนี่ยภาษาสัตว์สับไปหมดไอนามันทำจริงๆนมันไม่มียังไงมันก็ไม่มีไอพวกนี้มันมันมีสภาวะเขาจับใส่กล้องใส่อะไรอะได้แต่วิญญาณนี่คุณจับใส่กล้องใส่อะไรไม่ได้คุณจับไม่ได้ไม่มีใครสามารถจับวิญญาณใส่ตรงไหนได้เลยมันต่างกันไกลยิ่งไกลเพราะฉะนั้นไ อ, อ, อ, อ, อ, อไฟในสายไฟเขาจับใส่ได้สับใส่เส้นใสสายใส่เป็นหม้อแบตเตอรี่ใส่โอ้ใส่อะไรได้เยอะนะ ซึ่งเป็นอนัศรีดังก็ผิดไม่ใช่อัสรีดังสรีรังไฟมีศรีดังไม่อาจจะมีใครไปมองเห็นกระแสไฟได้เขาไม่ได้มองด้วยตาแต่คขามองด้วยสัมผสัสคขามองด้วยสัมผัสนั้นสัมผัสแต่ปั๊บนี่นะไม่ต้องเห็นเลยนะสัมผัสได้เลยแต่วิญญาณนี่แตะปั๊บมันไม่เห็นนะมันไม่ได้นะคุณแตะมันไปเป็นวิญญาณมันก็เป็นการสัมผสัสที่จะเกิดวิญญาณอีกชนิดหนึ่งวิญญาณปุงแต่งสรรักคนไม่รู้ปุ๊บปั๊บเลย แต่จะปรุงแต่งเป็นอะไรปั๊บสัมผัสแล้วคุณไม่รู้ละเอียดหรอกนะครับอันนี้อธิบายยากอยู่เอาไว้ค่อยอธิบายวิญญาณก็ได้ส่วนเมื่อกี้นี้กระแสไฟส่วนผลของกระแสไฟที่ทําให้ดวงไฟสว่างได้นั้นก็เปรียบเหมือนกับผลของวิญญาณหกเปรียบเหมือนผลของวิญญาณหกที่ทํารรทให้เกิดการรู้แจ้งทําให้เกิดการรู้แจ้งเท่ากับปัจจิตปัจจิเประวัยเห็นธรรมารมณ์ ทำให้รู้แจ้งธรรมารมทั้งหลายที่เป็นนามเป็นรูปได้นั่นเองซึ่งรูปก็คือรูปยี่สบแปดส่วนนามก็คือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการอ่ามีเอาตามที่อาตรมาเอาในพระธรรมบดมายที่16มาที่อันแจกวิพังไวม้มาม า, มายืนยันเลยซึ่งโพธิระ ก, ก็ควรจะหัดสังเกตเอาไว้บ้างว่านะหัดสังเกตเอาไว้บ้างว่านามทั้งห้า นามทั้งห้าคือเวทนาสัญญาเจตนาปัสจมารสิกานี่นะรู้แจ้งนามทั้งห้าไม่ใช่รู้แจ้งถูกรู้แจ้งนามทั้งห้านี่ถูกรู้แจ้งเราเรียกทักับปสติได้นี้ได้หมายความว่าเขารู้รแจ้งนามทั้งห้าเลยนะรู้จักเวทนารู้จักสัญญารูจาจาารนะา้จักเจตนาปัสจามารสิกานี่นะคุณแต่จะสูนหานี่เมาเลยว่านามทั้งห้าที่ถูกรู้แจ้งถูกรู้แจ้งแล้วนะตอนนี้ ไม่มีตัวไหนเลยที่ชื่อว่าวิญญาณโอ้โหเก่งจังเลยโอ้นี่เวทนาสัญญาเจตนาปัมฉนาสิกา5ตัวนี้ไม่มีตัวไหนที่ว่าชื่อไม่มีตัวไหนสะกดไว้ว่าวิญญาณเลยเห็นไหมโอ้นี่ตาบอดหรือไงโพธิรักโอ้จริงของเขาเนาะอ่าแต่ถึงอย่างไรนะ แต่ชื่อว่าวิญญาณแต่ที่ชื่อว่าวิญญาณไม่มีตัวไหนเลยที่ชื่อว่าวิญญาณอยู่ในห้านี่เนนาทาแต่ถึงอย่างไรแม้ว่าวิญญาณจะไม่สามารถถูกรู้แจ้งด้วยวิญญาณพวกเดียวกันก็ตามแม้ว่าวิญญาณจะไม่สามารถรู้แจ้งด้วยวิญญาณพวกเดียวกันก็ตามคือวิญญาณไม่สามารถรู้วิญญาณของเขาว่างั้นวิญญาณไม่สามารถจะรู้วิญญาณได้เขาว่างั้นเยคือคาว่าวิญญาณของเขาเนี่ยมันจะ พิสดารยังไงเนามันมันไม่มีความสามารถหรือมันมีความสามารถเฉยยงแต่อันนี้เขาพูดไปว่ามันไม่มีความสามารถแตรู้วิญญาณนะวิญญาณนี่ไม่สามารถแตรู้วิญญาณ ท, าทั้งทั้งที่วิญญาณนี่เป็นภาษารวมของนามธรรมตัวใหญ่เลยญาณวิญญาณมโนโจิตตรงนี้แล้วในญาณมโนโจิตตรงนี้มันมีเจตสิกมันมีอาการทั้งเยอะแยะเลยที่เป็นนามธรรมนะ ที่เป็นจิตเจตสิกอีกตั้งเท่าไหร่ห้าสิบเออยยี่สอะไรอาตอมาเดี๋ยวจําตัวเลขมันคอมเมนแล้วนะนะโดวยวิญญาณพวกเดียวกันก็ตามแต่ถ้าหากผู้ใดเคยมีประสบการณ์วิคขำพนักวิมุติมงได้เปิดอย่างที่ได้เล่าไว้แต่ตอนตอน้นมงได้ปิดมาแล้วนะเคยมีประสบการณ์วิคขำพนักวิมุตมาแล้วผู้นั้นก็จะรู้ด้วยปัญญาเองว่าวิญญาณนั้นย่อมคือเช่นไรกันแน่ จะรู้เองว่าวิาญญาณคือเช่นไรคะแน่มองได้เปิดซึ่งรู้ได้ก็เพราะเหตุที่ก็เพราะเหตุที่วิญญาณทั้งหกเคยดับมาก่อนแล้วนั่นเองรู้เพราะมันเกิดมันดับรู้เพราะว่าไอ้ความรับรู้เนี่ยมันมีความรับรู้นี่มันก็ดับนความรับรู้มีความรู้นี่มันเกิดดับพรกคุณเคยดับไหมนอนหลับปั๊บมันก็ดับหมดเลยอ่าไปเหลืออยู่แต่ในใจอพอนอนปุ๊บมันก็ดับน ก็เคยทั้งนั้นนะไม่ต้องไปนั่งสมาธิดับด้วยไม่ต้องนั่งเข่าสะาวังข้างในแล้วก็ดับข้างนอกไม่ต้องนอนหลับก็ดับได้ทุกคนเนะน่ยนะถ้านอนไม่หลับสิมันดับไม่ดับนะนอนดิน้นผานมันก็ไม่ดับถ้านอนหลับก็ดับเลยซึ่งการรู้จักวิญญาณได้นี้เป็นการรู้วิญญาณทณัศนะแม่ลึกลับเว้ยลึกลับยิ่งใหญ่เห็นไหมการรู้มันดับเลยก็มันเกิดในวิญญาณในความรับรู้หกทวารห้าทวารเนี่ย ใครรู้ได้นี่อือเป็นทายาทศนาวิเศษเลยนะคุณนอนหลับคุณก็เห็นแล้วว่ามันดับคุณตื่นขึ้นมามันก็มาปุ๊บเลยเห็นไหมมีญาณทัศนะมีญาณทัศนะนะอคือต้องรู้ด้วยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้นะน่ะรู้ไหมเวลาคุณหลับมันก็ดับพอเวลาคุณตื่นมันก็เกิดรู้รู้ไหมเคยรู้รู้ไหมรู้มันเกิดมันดับไหม เมื่อไฟสว่างเมื่อไฟดับเนี่ยปิดปิดคัดเอาเปิดคัดเอานี่รู้ไหมโอ้โหมีปัญญามีญาทณทัศนะพวกเนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นนะเนี่ยและหากเป็นผู้ที่รู้จักวิญญาณจริงแล้วย่อมจะไม่ซีซัวพูดเลยว่าสามารถเห็นหรือปัจติตวิญญาณได้อ้าวไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นอีแค่เอะ คุณเวลาดับหลับลงไปคุณก็ไม่เห็นวิญญาณใช่ไหมวิญญาณห้าทวารดับไปหมดแล้วใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาก็เห็นใช่ไหมโอ้ล้วมันซสีสั่วตรงไหนอ่ะอ่ะสีสว่างยังไงอ่ะสามารถเห็นปัจติมันซีสั่วตรงไหนอ่ะอ่าวัวหมายอ่ะวัวหมายซีสั่วเห็นเป็นจริงจังนะผููที่พูดที่ถูกต้องนะ อัาตมาไม่ได้แสดงละครนะอาตมาพันยายธารรมะแต่มันสนุกมากไปหน่อยย่อมจะไม่สีโซ่พูดเลยว่าสามารถเห็นหรือปัสติอวิญญาณได้เหมือนกับโพธิรักที่ไม่รู้ทั้งจิตสดีและปฏิบัติแต่ชอบแสดงตนเป็นผู้รู้ก่อนเคยบอกว่าวิญญาณเป็นอัริรังที่เห็นไม่ได้แนะ่ แต่พอได้ยินเราพูดถึงสัมผัสที่หกเข้าหน่อยตอนนี้ก็เลยจะเก่งมั่งกลับตลัปัดมาบอกว่าตนเองก็สามารถเห็นวิญญาณได้โอ้โหเก่งจริงเลยจับผิดโพธิลักษ์ได้แล้วโพธิลักษ์แต่ก่อนนี้ก็บอกว่าไม่สามารถเห็นวิญญาณได้ตอนนี้ก็บอกมาว่าเห็นวิญญาณได้เพราะเพราะว่าเราใช้สัมผัสที่หกเห็นตอนนี้ก็มาเห็นได้อย่างที่เราพูด อโอ้เก่งจังเลยอืมอา้าวจริงๆก็เห็นได้จริงๆแล้วก็เป็นวิญญาณที่เป็นนามธรรมที่รู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศอัตมาเห็นวิญญาณนีเห็นด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศตาเนวุจยาตราสสอนนะเหมือนมันก็เห็นอยู่นี่แหละมันก็รู้เรียนรู้แล้วก็รู้อาการเหล่านี้แล้วอาการอย่างไรเป็นอาการผีอาการยังไงเป็นอาการเทวดาอาการยังไงทําให้เหตุที่มันเป็นเหตุทําให้เกิดผี ดับได้ก็เป็นเทวดาอุบัติเทพดับได้หมดก็เป็นวิสุทธิเทพเป็นพรหมเป็นวิสุทธิเทพก็เข้าใจแล้วก็ทําได้น่ะอาตมาก็เห็นเลยแต่พูดไปแล้วคุณนี่ก็ย่างไปวิญญาณของคุณนี่ก็เอ็มีขอแปลกนะก็พิเศษนะบอกคุณนี่ไม่มีสิทธิ์ตรงคุณไม่มีสิทธิ์หรอกอ่าไม่มีทางที่จะไปเป็นแมกซิเชียนยังงั้นได้ไม่สามารถจะไปเล่นสิ่งมหัศจรรย์ยังงั้นได้อ่า จะทำไม่แอดนะสรุปว่าชัวหรือมั่วกันแน่สรุปว่าชัวหรือมั่วกันแน่พวกเสื้อแดงลหลับหูตาหลับหูตาบูชาทักษิณอย่างไรสมณะอโศกก็หลับหูหลับตาเชื่อเสด็จปู่ไปเสีทุกอย่างเหมือนกันสมณะทั้งหลายโดนเขาแล้วสมณะอโศก พวกเสือแดงในหลับหูหลับตาบูชาทักษิณอย่างไรสมณะอโศกก็หลับหูหลับตาเชื่อเสด็จปู่ไปเสียทุกอย่างเหมือนกันไม่เคยคิดที่จะใช้สมองของตัวเองบ้างหรือไรเอาไปทําอะไรสมองไม่เอามาใช้มังเลยเช่อนอย่างที่เราบอกว่าเช่อนอย่างที่เราบอกว่าวิญญาณทั้งห้าในวงเล็บโดยไม่นับวิญญาณสัมปชัญญะโลกวิญสัมปชัญญะกไว้นะวิญญาณทั้งห้า ไม่นับไม่นับสัมบัติที่หกคือมโนวิญญาณย่อมรู้แจ้งรูปทั้งห้านี่นะย่อมรู้แจ้งรูปได้แต่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะงั้นตัววิญญาณทั้งห้าเนี่ยรู้ได้แต่เฉพาะห้าเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปรู้มโนวิญญาณรู้ได้แต่ห้ารูปทั้ ง, งห้าตาหูจมูกริมกายเท่านั้นนี่ทำคุณคุณแปดเจ็สุหนาวามานะ บินยาณทั้งหย่อมรู้ได้แจ้งรูปได้แต่อย่างเดียวรู้ได้อย่างเดียวนะรู้ได้แต่รูปอย่างเดียวนะนะรูปนี่รูปนรู้ได้แต่รูปนะเนี่ยมันเอาอะไรไปรู้วะมันไม่เอานามไปรู้เนี่ยมันรู้แต่รูปได้อย่างเดียวรูปมันก็อยู่ที่รูปเนี่ยไอ้นี่อาตมาก็ขอซ้ําอีกทีในวันนี้ก็มีไอ้ฟักข้าวมาอีกด้วยอย่างที่เคยใช้ฟักข้าวเอ้ยมาเอาตัวมีขั้ว มันไม่มีมั น, นเนี่ยเอ่อเอออันนี้ดีฟักข้าวเอ๋ยแตะกับมะเขือกับมุกม่วงเนี่ยเองรู้จักไหมเอยรูปเอยรูปทั้งรูปทั้งนั้นเลยนัเนี่ยมันไม่มีวิญญาณ น, นะมันไม่มีวิญญาณมันก็นี่แตะกันสัมผัสกันอยู่เนี่ยเองรู้ไหมเองสัมผัสอยู่กับมะเขือมะเขือเองรู้ไหมเองสัมผัสอยู่กับฟักข้าวมันเป็นพีชานิยาม มันเป็นรูปะรูปปังมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีธาตุรู้แต่คนสัมผัสอันนี้ปับ๊บด้วยตาสัมผัสได้เสียงสัมผัสได้จมูกนี่ปับป๊บปก็มีวิญญาณรู้ทันทีวิญญาณรู้ได้ต า, า, าไม่หมอดูไม่หนวกจมูกไม่พิการลิ้นไม่พิการกายไม่พิการรู้ได้หมดนะแต่คนนี้ตัดเลยตัดเลยวิญญาณไปร่วมร่วมด้วยไม่ได้วิญญาณทั้งหเนี่ย มันก็รู้ได้แต่รูป น, นามนี่เขาตัดขาดกันเลยนะมโนวิญญาณนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะทั้งห้าเนี่ยรู้ได้แต่ห้าตัวนั้นเลยวิญญาณมโนวิญญาณนี่สงวนไว้เลยว่าเป็นของสัมผัสที่หกสัมผัสที่หกพิเศษนะตัวนี้ถ้าจะรู้อะไรพิเศษรู้รู้าห้านี่มันเรื่องธรรมดารู้ตาหูจมูกนิ้วการเรื่องธรรมดาเท่านั้นนะนว่างั้นเลยนะนี่ยกเก็บไปพิเศษ สัพพะที่หนี่เกี่พิเศษอ่อาเพราะฉะนั้นอาห์นี่รู้ได้แต่รูปอย่างเดียวนี่เป็นรูปอย่างเดียวรู้แต่แต่รูปนี้ไม่สามารถรู้ดีลาอาการนอะไรได้อีกเลยนะว่า ง, งั้นนะด้วยแต่รูปอย่างเดียวสมณะฟาไทยก็ยังไม่มีปัญญาพอที่จะฟังรู้เรื่องได้นะอ่าก็โดนนะสมณะฟาไทยก็ยังไม่มีปัญญาพอที่จะรู้เรื่องได้จึงสมมุติว่าจึงสมมุติว่า ถ้าเอาขี้ให้เด็กทารกอายุอายุหกเดือนกินถ้าเอาขี้ให้เด็กทารกอายุหกเดือนกินถามหน่อยว่าเด็กมันจะโอดครวนบ่นว่าเหม็นไหมนะแต่ถ้าให้สมณะฟ้าไทยฉันขี้แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องร้องจา้าเพราะอันนี้นับเป็นมโนวิญญาณแล้วนี่มโนวิญญาณมันรู้นะรู้ว่าดีขี้รู้หอม น, นะมันรู้นะร้องจ้าเลยนะเนี่ย แล้วไอ้นี่นะรู้ว่าไม่น่ากินหรือรู้ว่าน่ากินมีมโนวิญญาณนะเพราะงั้นใครไม่มีมโนวิญญาณมัรู้ว่าไอ้นี่น่ากินไม่น่าก mmm okay. ินไม่มีนะคนไม่มีมโนวิญญาณนะอ่าไม่ม้นนะไม่มีมโนวิญญาณนะโง่ดักดานนะไม่รู้ว่ามันจะขี่เอามาให้กินวก็ยังกินนะโอ้มโนวิญญาณหรือว่าสัมผัสที่หกของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้านี่สัมผัที่หกวิเศษจริงจร อ่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายที Look, yeah, ่ม um, ันรู้แต่พอรูปเนี่ยมันไม่มีรู้อะไรพวงนี้หรอกมันรู้มันมันมันมันมันเหมือนมันเท่าเท่ากันกับไอ้สองตัวนี่มันกระทบกันนี่แหละมันไม่รู้อะไรมันรู้มันมันไม่รู้ี่ซ้ํามันไม่รู้จริงป่าอีกซ้ําไปนะบอกว่ารู้ได้แต่รูปอ่ารู้ได้แต่กลมๆแดงๆมีหนามจบอ่าจบเท่านั้นนะ มโนวิญญาณไม่รู้จริงๆมันก็พอไปได้นะเขาพูดก็พอไปได้เพราะไอ้ตัวพิจรารณารู้ว่าเออแดงอย่างเงี้ถ้าอย่างพวกเราเรียนเนี่ยแล้วเราพิจรารณาเวทนาความรู้สึกของเราสิว่าเออเราสัมผัสมาแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าอยากได้รู้สึกว่าเออน่ากินน่าได้น่ามีหน้าเป็นได้ว้าไม่ไหวอ่ะรู้สึกยังไงพวกเราก็ราเรียนก็ศึกษา มโนวิญญาณอันนั้นเป็นสัมผัสที่หกอันนั้นเราก็เรียนนะแต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยก็มาบอกว่าอย่าไปเรียนกระทบสัมผัสตาหจูจมูกลิ้นกายก็อย่าไปเรียนะนะตัดไปเลย อ, อย่าไปเรียนคือตัดสัมปติจัดความเชื่อมต่อระหว่างปัสสททรูปกับโคจรรูปรูปที่เกี่ยวกับตากระทบ ที่เป็นมั่รูปที่เป็นดินน้ำไฟลมเป็นมหาภูตา ร, รูปเมื่อตาเปกระทบก็เกิดตาหูจมูกลิ้นกายอีกเป็นอุปาทายารูปเป็นรูปที่องค์ประชุมบออแลววระกายนี่มันต้องมีองค์ประชุมของน้ำร่วมด้วยตลอดพอกระทบแล้วมันจะมีรูปรูปประกายติดมาด้วยแล้วก็จะรู้ แล้วก็พิจรารณากายในกายเพราะเป็นรูปกายเป็นกายในกายแล้วก็พิจรารณากายในกายมันก็จะเนื่องต่อสันตติก็เป็นเวทนาอารมณ์ความรู้สึกของกายในกายทํางมันก็อธิบายแล้วอธิบายอีกซ้ำ ส, สร้างอย่างที่คุณแปดจ็ดศุนย์ห้ามาพูดซ้ำสร้างนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้สักทีไม่เข้าใจสักทีหนึ่งพอเวทนานเวทนาก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบอิทธารมอนิธารมและธาตุอิทธารมหรืออานิธารมมันมีอะไรเป็นเหตุ ก็มีอิทัพปัปปัญญาตาต่อไปต่อไปฮะยับไม่ง่ายบอกแล้วคําว่ากายเขาไม่เข้าใจหรอกกายเขาแปลว่าร่างเท่านั้นร่างกายก็แปลว่าร่างเท่านั้นไม่มีน้ำก็ไปเกี่ยวข้องอ่าทั้งนั้นทั้งนั้นนะที่เรียนเรียนกันอยู่ในส่วนมากพบว่าคนไทยมันซวยก็จะมาบอกแล้วว่าเอากายไปเอาเอาคาว่ากายากไปแปลว่าร่างกายร่างกายมันก็เลยกลายเป็นแท่งดินน้ำไฟลม แล้วก็ตัดขาดนามไม่เกี่ยวเลยนะถ้่ไมัมไม่เกี่ยวไม่ได้เวลายิ่งศึกษาธรรมะปริยัติเอ้ยปฏิบัติปรมัตถะประมัตถธรรมแล้วยิ่งเกี่ยวเลยนะถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้แล้วบอดอยู่ตรงนั้นนะ่ะบอดอีกเป็นนานเท่านานนะเอาต่อนะเพราะงั้นถ้าสมณะฟาไทยนี่นะกินขี้เข้าไปแล้ ว, ลวเราล่องจ้ากเลยนะ เพราะอันนี้นับเป็นมโนวิญญาณแล้วที่รังเกียจว่ามันเหมน็นรังเกียจว่าเหม็นนั่นก็เพราะการมุ ป, ปาทานของผู้ใหญ่ไม่ได้ฝังที่ลิน้นะการมุ ป, ปาทานของผู้ใหญ่ไม่ได้ฝังที่ลิน้นหากแต่มันยอมมันย่อมฝังอยู่ที่ใจอุปทานฝังอยู่ที่ใจส่วนทารกยังไม่มีการมุ ป, ปาทานฝังที่ใจจึงลิ้มรสขี้ได้สบายมากนะเพราะงั้นพูดที่ไม่มีอุปท า, านแล้วก็ต้องกินขี้สิ ก็เหมือนทารกอะเนาะเรต้องกินขี้เพราะว่าก็ไม่มีอุปทานแล้วนี่อ่าก็ต้องกินขี้นะเพราะนั้นท่านพระทัยใจมีกินขี้อยู่ยอมมีอุปทานยอมอยู่อุปทานไหมยอมอุปทานยอมอยู่อุปทานดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องกินขี้แต่ถ้าไม่มีอุปทานแล้วก็ต้องกินขี้เหมือนทารกอะใช่ไหมอ่าเพราะงั้นคุณแปดเจศนหจะกินขี้ตามทารกเพราะไม่มีอุปทานก็ไม่เป็นไรก็ไม่บาการนะเราก็เราไม่รู้ใช โอ้ยโอ้ยขอเอาายพูดพูดแรกไปหรือเปล่า อ, อ, อัตมาเนี่ยเป็นแม็ิเชียนแท้ๆเลยเป็นนักเล่นกลมหัสจัรทร์แต่อัตมาเนี่ยมันเป็นเป็นไลท์เนอร์อัตมาเป็นเอ็นไลท์เนอร์มีเอ็นไลท์เมนต์เป็นเอ็นไลท์เนอร์นะมีเอ็นไลท์เมนต์ ตลอดเวลาชัดแจ้งรู้เลยนี่สัมผัสเมื่อไรก็รู้ตาหูจมูกร่างกายเมื่อไรมโนวิญญาณก็ทํางานด้วยสัมผัสที่หกก็ทํางานด้วยทุกทีรู้หมดเลยแล้วยังมีวิจัยวิจารณต่อได้ด้วยว่านี่มันเป็นยังไงอย่างเดียวมีกิเลสเข้าไปหรือไม่เรารู้อะไรได้ไหมโอ้โหเยอะเลยที่เรารู้นะเพราะการพูดใดที่ไม่ได้เคยพิจารณาแบบนี้นะก็จะเหมือนกับกระโดดเข้าไปในแบล็คโคลนอ่า หรือเขาไปโดกแบ็คโฮลกระโดดเข้าไปในสเปซกระโดดเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งโลกสเปซอวกาศเทหะวัตถุแท่งทึบมืดมดเลยเพราะไปกระโดดออกไปโดยไม่มีแสงสว่างเขากระโดดลงไปได้วยความปิดทวารตัดขาดกันเลยโดดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะมืดเลยน ะ, ะไม่มีแสงไม่มีตาปิดเลยเข้าไปใน ไอ้หลุมดำของ p เป e โลหะเทวเทวเทววัตถุแทนทึบนั่นก็ทึบก็มืดก็ตึ้ไม่รู้เรื่องอะไรใครก็ไม่เห็นตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใครจะไปรู้เรื่องเลยไม่รู้ไปเบียนว่ายอยู่ในเบื้องวางนั้นไปชนดาวเป็นเสาไปโดนดาวอังคารดาวพุธหรือเป็นโดนดาวหางอะไรชนอุกาบาตอะไรชนตายก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะ อ่านี่เป็นคำอธิบายและอีกตัวอย่างหนึ่งว่างั้นน่คนนี้อีกแผ่นหนึ่งเนีอ่าเอาพอสมควรนะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นที่เคยเล่าไปครั้งก่อนแล้วว่าเห็นนามรูปนึงเห็นนามรูปหนึ่ ง, นนงกําลังคิดว่าฉันนี่สวยไหมน่าเคยเล่าแล้วนั่งทาจักรยานมาฉันนี่สวยไหมจะมีใครมองฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็รู้ด้วยมโนวิญ ญ, ญาณด้วยอาศัยผ่านจักรวิ ญ, ญญาณเท่านั้นเอง เมื่อกี้ก็บอกว่าว่าอย่าไปดูไม่เห็นไอ้ตอนนี้มาเห็นแล้วอมะโนวิญญาณมาเห็นอีกแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าปิดมโนวิญญาณนะรู้นะอันนี้ก็รู้โดยอมโนวิญญาณโดยอาศัยผ่านจักขคูวิญญาณเท่านั้นเองซึ่งก็ยังมีตัวอย่างที่ไม่ต้องอาศัยผ่านจักรคูไม่ต้องอาศัยผ่านจักรคูอีกอเป็นวิญญาณผ่านจักรคูด้วยไม่อาศัยผ่านจักรคูเลยก็มีมีอีกทั้งผ่านจักรคูก็ได้ไม่ผ่านจักรคูก็ได้เพราะว่ามันเป็นสัพพันติหกมันเป็นพิเศษนี่ มโนวิญญาณวิเศษนิววิเศษรู้ผ่านจากกูก็ได้ไม่รู้ผ่านจากกูก็ได้เช่นที่ภาษาดีบุตรนะตอนยกภาษาดีบุตรเลยไปบินทบาทด้วยสัญญตะวิหารธรรมส่วนโมคคลาอยู่บนดอยภูเขาอีกรูปหนึ่งที่ห่างกันไกลมากหลายสิบยนดแต่เพราะเข้าสมาธิหลับตาปีอยู่เนี่ยเพราะเข้าสมาธิหลับตาปีอยู่พระโมคคลาจึงสามารถแลเ ห, เห็นด้วยมโนวิญญาณได้ว่านั่น ภาษาดีบุกกำลังถูกยักถูกยักเอากระบองทุบศีรษะโอ้โหยักตัวนี้นี่เนาะเป็นตัวเลยเนะยาะยักมาเอากระบองทุบศีรษะหรือเราเองสมัยยังเป็นเด็กอายุสองสามขวบได้ตกน้ำก็ลาให้ฟังมาแล้วได้ตกน้ำแต่ว่าจิตวิญญาณของเรากลับอยู่บนบ้านโดยที่ไม่ไม่มีรูปกายคือไม่มีทั้งตาไม่มีทั้งหูแต่เราก็มองเห็นได้ทั้งได้ยินเสียงก็ได้ ะเห็นเมื่อกี้น่ะเห็นได้หรือสมัยที่เราเริ่มแผ่เมตตาครั้งแรกอเราเริ่มแผ่เมตตาครั้งแรกเราก็ดินเสียงของเทวดาแต่ละชั้นโอ้แผ่เมตตาได้ยินเสียงเทวดาด้วยแผ่เมตตาตามเราไปทีละชั้นทีละชั้นโอ้แผ่เมตตาแล้วมีเทวดาแผ่เมตตาร่วมด้วยนะไปทีละชั้นจนเสียงทิพย์ที่เราได้ยินนั้นค่อยๆเบาลงไปเองคงจะมาจากสวรรค์ชั้นที่ไกลลิบๆนั่นเอง ทำไมต้องคงแล้วก็ให้มันแม่นแม่ชัดชัดไม่ได้เลยต้องคงทําไมแม่พูดนี่เสียเหลี่ยมอย่างเลยเนาะไม่น่าจะคงจะอย่างนั้นคงจะอย่างนี้มันมันแบบนี้มันเดานี่หว่าคงยังอย่างนั้นคงอย่างนี้มันแม่นิงนะแน่จริงมันต้องแม่นแม่นจริงนะคงมาจากสวรรค์ที่ชั้นไกลลิบลินั่นเองและก็ยังมีเรื่องราวปาฏิหาริย์อีกมากมายเนี่ยลักษณะแมจิกทั้งนั้นเลยแมจิกปาฏิหาริย์อีกมากมายสงสัยจะเรียนรู้ เป็นอยู่เป็นลูกศิษย์คันธารีฤศีมานิกามานานนะเนี่ยที่บางทีเราเองก็ยังงงงอยู่นั่นแหะทีไอเรียนวิชางงงนี่ไม่เอาน่าของเราไม่ไม่ไม่เอาก็วิชางงงนี่แล้วบางทีเราก็เองก็ยังงงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ย่อมมาสรุปลงที่คําสอนของพุทธเจ้านะมาสรุปลงที่คําสอนพุทธเจ้าที่สอนกับพระพาหิยะว่าพระพาหิยะว่า เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่นนั่นนั่เป็นอุกติตณอกติเอยู่ในฟังสีประโยชน์ปั๊บเป็นอรหันเลยนะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้แจ้งธรรมารมก็สักแต่ว่ารู้แจ้งธรรมารมหรือก็คือเห็นหนอได้ยินเนาะได้กลิ่นเนอะรู้รสเนอสัมผัสเนอรู้แจ้งธรรมารมเนาะซึ่งนี่คือนี่แหละคือหลักปฏิบัติวิปัสนาหรือทางสายเดียวที่จะ ให้ถึงพระนิพพานได้นี่คือทางสายเดียวจะถึงพระนิพพานได้อ <c oughs> ยังไม่จบเมื่อจะอ่านต่อแต่พระนิพพานจะคือเช่นไรนั้นเนี่ยพระนิพพานจะคือเช่นไรนั้นฟังให้ดีนะตรงนี้แต่พระนิพพานจะคือเช่นไรนั้นแม้พุทธเจ้าเองก็ยังไม่สามารถจะอธิบายลักษณะของพระนิพพานตรงๆได้ ทรงบอกได้แต่วิธีปฏิบัติหรือบอกทางเดินให้ได้เท่านั้นถูกต้องเราจะบอกสภาวะนิพพานมาเป็นอย่างไรไม่ได้นัทธิอุปมาจะเปรียบจะเปรยกับอะไรจ ะ, ะไรไม่ได้ทั้งสิน้นเพราะนิพพานไม่เหมือนอะไรเลยในมหาจักรวาล น, นี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เที่ยงมันเป็นสิ่งเดียวที่ว่างสนิทว่างอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเทียบมั่มีอะไรเปรียบมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่นา ม, มันไม่ใช่สมบัติของ โลกของสมุติสัจจะทั้งหมดมันเป็นปรมัตาจารย์ที่พูดใดได้พูดนั้นมีเป็นของตนรู้ของตนอ่าอาหาเมตังนาชานามิอาหารเมตังนาปสามิติไม่มีใครรู้ใครเห็นได้ด้วยเราเป็นปจัจิตตังเวทิตโภวินยูหิจริงๆก็เปรียบไม่ได้เทียบไม่ได้เพราะว่าเอารู้เอานามันของหยาบทั้งสิ้นเลยก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนะอัตมามีนิพพานอัตมาก็เห็นของอัตมาไม่แปลกแต่ ที่พูดถึงนิพานพูดได้และก็เป็นการสื่อทางให้คุณปฏิบัติไปซิ่าก็อ้างสารพัดอ้างมาต่างๆนาน า, นามไม่ผิดแต่มันไม่ถูกนะซึ่งเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติเดินตามจนถึงที่หมายแล้วก็ย่อมจะประจักษ์ชัดนิพณิพนานนั้นได้ด้วยปัญญาของตนเองเมื่อนั้น ฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะเน้นสอนวิธีปฏิบัติให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เท่านั้นอัตมานี่ะยืนยันมาสอนจากพระพุทธเจ้าที่สอนท่านั้นถูกทางทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแต่โพธิระ ก, กรับชอบโออวดคือพยายามที่จะเน้นอธิบายลักษณะของพระนิพพานให้ได้นัีถอุปมาอัตมาก็ใช้ภาษานี้อ้างยืนยันนะ ว่ามันไม่เปรียบไม่ได้เทียบไม่ได้นิพพานมันมีของใครของมันได้แล้วก็เป็นของตนแม้แต่คําว่าอาหาเมตังน้าชานามีอาหาเมตังหน้าภาษาเมติอัตมาก็เคยพูดใช่ไว่าว่ามันเป็นของใครของมันไม่มีใครเห็นของใครของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นของท่านา ข, ของเราของเราของคุณของคุ ณ, ข อ, คณของใครของใครที่มันเป็นแล้วมีแล้วของใครก็ของมันนะเทียบอะไรไม่ได้นอกจากอันอื่นที่เทียบได้ที่มันพอมีอะไรที่พอมีตรงกันมันก็พอเทียบกันรู้ แต่นิพพานนี่ไม่มีเทียบกับของใครนะน้านัตถิอุปมาเทียบอะไรไม่ได้อุปมาอะไรก็ไปใส่ก็ไม่ได้ที่แม้พุทธเจ้าเองก็ยังอธิบายพระนิพพานได้แค่โดยอ้อมเท่านั้นและพระสิรัิยังชอบอธิบายเรื่องผีวิญญาณอีก อ, อ๋อมันจริงต้องเห็นเลยนี่ไม่เห็นคุณจะไม่เห็นทักงทีเลยแต่ผูกไปโผมาว่าโอปปติกะผีเปรตเทวดานั้นว่าเป็นที่นามคือจิตวิญญาณเท่านั้นนะแน่นอน คุณจะไปไว้ที่ดินน้ำไฟลมที่ไหนไม่มีไม่มีที่เทวดาอยู่ที่จิตหัตยะหัตยะรูปของมันอยู่ที่จิตเขายื น, นนะยันยืนยันเพราะแท้จริงแล้วหาได้มีรูปกายจริงๆอะไรเลยไม่อหาได้มีรูปกายอะไรที่จริงเลยไม่นะไม่มีรูปกายก็พูดดีเลยจริงก็บอกแล้วไม่มีรูป ไม่มีรูปกายแล้วไม่ต้องไปจิตใจที่คําว่ากายไม่มีรูปไม่มีรูปกายไม่มีรูปอัสรีรังอ่าเลยไม่เอาไปเอามาก็มาบอกว่ามีรูปจิตวิญญาณไม่มีรูปเอาเดยวก็เห็นผีเห็นวิญญาณเป็นรูปเดยวก็บอกไม่มีรูปเอาหาได้รูปกายจริงๆเลยไม่จึงขอให้สุภาษิตจึงขอให้สุภาษิตว่าบ่เห็นลงบ่เห็นลงศพบ่หลังน้ําตาบ่เห็นกระป๋องแก๊ บ่เห็นกระทะทองแดงบ่เห็นนรกนะกระป๋องแก๊สเลยนะบ่เห็นกระป๋องแก๊สเลยนะผ่านไปหน่อยจแม่นถ้เกิดว่าเราเคยถูกแก๊ดถูกเข้ขาขั้วแก๊ดลงมาใส่บ่เห็นกระทะทองแดงบ่เห็นนรกท้ายนี้ต้องขออภัยด้วยที่คําพูดของเรารุนแรงไปมากแ น, แน่แต่เป็นเพราะด้วยเจตนาดีของเราแม้ไม่อยากเห็นโพธิรักที่มุ่งมาปฏิบัติธรรมเพื่อพน้นเพื่อความพ้นทุกข์ แต่กลับต้องไปตกนรกเพราะเหตุที่แปลบาลีธรรมะผิดเองแท้ๆจึงให้หน้าสงสารยิ่งนักส่วนสำหรับพวกนักการเมืองโดยเฉพาะคุณแมวที่เลวสุดขั้วเราไม่สนใจเลยเพราะนรกรอคุณแมวอยู่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วซึ่งเรานั่นรู้ธรรมะจริงๆแต่การที่ จะเอาอธิบายจะอธิบายธรรมะให้โพธิระได้เข้าใจนั้นยอมรับว่ายากเย็นแสนเข็ญเอออธิบายให้โพธิระเข้าใจนั้นยากเย็นแสนเข็ญทั้งนี้ก็เพราะธรรมะเป็นปัด จ, จัดตังไปที่ตะโพมินยูหิกนั่นเองวินยูหิตินั่นเองจเจริญธรรมสำนึกดีอนุโมทนามิ อ่อ้าวอนุโมทนามิน่าเอาจะเจริญธรรมํานึกดีไปใช้ด้วยไม่มีปัญหาได้เราก็ไม่ได้ติดใจยเป็นเราของเราหรอกประว่ากันไปก็ดีแล้วใช้ดีอ่าอ่าสรุปความแล้วก็นี่คือความคิดเห็นของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าก็อ่านให้ฟังคิดว่านั น, น่าจะเป็นอันสุดท้ายที่จะอ่านของคุณแปดเจ็ศูนห้าเพราะว่าย่ําต๊อกอยู่ที่เก่าวนเวียนอยู่นั้นอันต่มาจะ อธิบายจะบรรยายให้ฟังตอนนี้ก็เวลาเหลือน้อยแต่ขอหน่อยอนะขอสักสิบสิบห้านาทีเราได้ทำแพทเทิร์นเป็น powerpoint เอาไว้เดี๋ยวอลองขึ้นมาดูสิน้าอาจายมาก็จะอธิบายไปพลางประกอบไปด้วยนาะาอาการที่จะรู้รูปรุปรป่นนามนการจะรู้รูปรุป่นนามอ่า จะรู้ในภาวะน้าแม่อัตมานี่ไอวันนี้เขาให้อันนี้มาเล็กๆแล้วมันก็ไม่เคยคมเลยอัตมาอุตสาห์ใช้แว่นตาแล้วหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ก็จะอ่าอ่าไอช่องบนนั้นจะเห็นได้นะข้างบนน้มันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอ่าสัมผัสกายนา้กลิ่นรสสัมผัสกาย แล้วอายตนะทั้งหกเพราะว่ามันจะต้องเวลาสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายเนี่ยมันจะมีอายตนะเชื่อมต่อพอสัมผัสปั๊บอายตนะจะขึ้นมาทํางานเป็นสะพานเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลยจะมีแต่รูปกับรูปรูปจะเหมือนสัมผัสแต่รูปเองนล้วมันไม่เกี่ยวกับนมามข้างในไม่เกี่ยวกับมโนวิญญาณไม่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันไม่มีหรอกนะมันมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้มันต้องเกี่ยวนะ เพราะงั้นเวทนาทั้งหกสัญญาสังขารสามวิญญาณหกถ้าปฏิบัติแบบฤๅษีไปข้างโนะละไป ข, ขา้างพะเราจะเลื่อนได้ไหมนะภาพาถ้าปฏิบัติแบบฤๅษออีนั่งสมาธิหลับตาปิดตวานห้าเพ่งแต่ทวานใจนแล้วไปเพ่งแตทวานใจปิดตวานห้าแล้วเพ่งแต่ทวานใจนจะได้นิโรธมืด นะพวกนี้จะได้นี่โรลพอบอกนี่โหลดปั๊บก็บเหมือนโดดเราไปในหลุมดําเลยมืด อ, อยู่ในเทหวัตถุแท่งทึบหรือหลุมดำนะแบล็คโฮลหรือว่าสเปซนะแบล็กโฮลสเปซนะมีแต่ลอจิคัลดูเอาละเอาแทนตรงโน้ น, นดูนี่อาตมาได้อนี้แล้วแันนี่ละดูอนุกัมพ์ตรงโน้นดูได้ตรงโน้นดูเถอะใกล้ๆนะคนใช่ตาไม่ค่อยดีก็มีแล้วอายุมากนะดูนี่ไม่ค่อยเห็นมันไกลนะ ปฏิบัติแบบฤาษีนั่งสมาธิหลับตาปิดทวาร5เพ่งแต่ทวารใจอย่างเดียวเนี่ยทานิโรธได้นิโรธขึ้นได้จุดสูงจุดสมาธิจุดเรียกว่านิโรธนี่เป็นจุดสําคัญเลยนะถ้าเขาได้นิโรธเนี่ยเรียกว่าสูงสุดจุดสูงสุดจุ ด, ด, ด, ดวิมุติจุดนิโรธจุดนิพานอะไรนี่นะดับนะพวกนี้ก็จะได้เทหาวัตเหมือนโดนเข้าไปในเทหาวัตถุแท่งทึบหรือรุมดำเนี่ยลงไปในแบล็คโฮลหรือว่าสเปซนะที่เป็นเทหาวัตถุแท่งทึบนี่มีแต่ตักกะลอยลึัคอสั้น พอโดนเข้าไปนั้นปั๊บจะขาดเลยไม่มีสันตติไม่มีคอนติเนียมจะไม่มีสันตติจะไม่มีก็บอกอยู่แล้วว่ามันปุ๊บไฟปั๊บตัดปุ๊บเปิดสว่างปั๊บปุ๊บปั๊บจะไม่รู้เรื่องไม่มีคอนติเนียไม่มีตัวเชื่อมต่อไม่มีคอนติเนียมไม่มีคอนติเนียัสมันไม่มีตัวปัจจุบันต่อเนื่องกันเลยขาดตอนอย่างนั้นจริงๆพวกนี้นะเพราะจึงถึงจะหลุดปึ้งอะไรเงี้ยเป็นต้น เขาจะดูดปึ้งขาดลอยไปแล้วไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวก็หายไปเลยตรงนั้นมืมดทบอกว่าดับไปสักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยว่าดับไป น, นานเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เป็นต้นซึ่งไม่ไม่แปลกเลยอาตมาปฏิบัติมาแล้วอาตมารู้อย่างที่คุณ870น่าพูดนะนะข่าวว่าอาตมาไม่รู้สอนยากจะมาสอนทําไมแล้วก็อาตมารู้แล้วว่าอาตมาตั้งหา ก, กําลังสอนคุณนะแต่คุณก็ไม่รู้ตัวอาตมาก็เอออัตตามันก็อย่างนั้นตรงนั้นเขาก็มีอัตตา อาตมาว่าอาตม า, าไม่มีอัตตาในคุณฟังไม่ฟังอาตม า, าพูดยังมีข้ออภัยบางอาจไปว่าซ้อนคุณนะอาที น, นี้ต่อมาเรามาดูถ้าอีกทางนี้ว่ามือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณหกนี่นะสังขารสามคือกายสังขารไวจีสังขารจิตสังขารเนี่ยกับวิญญาณหกนี่นปฏิบัติแบบพุทธทีนี้เมื่อกี้นี่ปฏิบัติแบบฤาษีมาจนแบบนั้ น, นได้นิโรดได้จุดสูงสุดได้จุดสัมผัสที่หกเนี่ยได้จุดสัมผัสที่หของเขาในพิเศษพิเศษเนี่ย เขาจะมึดแล้วก็ไม่รู้ไปวิ่งชนโลกไปออกไปสเปซตอเทวัตถุแท่งทึบแล้วหรือไปในลุ่มดําแล้วลงไปในอะไรอะในเบอร์วิดาทริแองเกิลแล้วหายไปเลยไม่รู้จะหายไปยังไงมันยังคนไม่เจอเลยคนพวกนี้ไม่รู้ว่าอะไรล่ะอุทกกระดาษอุดอาดานดาพลดไม่รู้ไปจมลงไปในเบอร์วิดาทรแองเกิลนี่ไม่รู้ว่าไปยังไง หรือไปในแมกโนนี่หลุมดํำนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็ตามไม่ได้ทีนี้ถ้าพระองค์พุทธนี่เปิดเลยปฏิบัติแบบพุทธครบทุกทวารรู้อยู่รู้ครบทุกทวารมีจักรสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างนี่หมดมีจักรสุมีวิญญาณมีญานปัญญาวิญญาณญานี่เป็นวิญญาณเลเป็นอัญญาเลยเป็นญานเป็นอัญญาเป็นอัญญาไม่ใช่อัญญาอัญญาแปลว่าไม่รู้อัญญาเลยเป็นอัญญา อัญญาสิวัตโภคนัญญาเป็นญาณเป็นความรู้พิเศษมีปัญญามีแสงสว่างมีวิชาเป็น enlightenment เนะพราะงั้น space and time of continuum relative relation theory เ, น, เ น, นี่ยทฤษฎีที่สัมพัทธภาพที่มี space ก็าตาม time ก็าตาม time นี่คือ kinetic energy space นี่คือ uh, potential energy มันจะเห็นต่อกันมันไม่ขาดนะเช่นเดียวกันกับเราศึกษาทางนี้เราจะรู้สภาพของสังคปะ7เจ็ดคือเราจะรู้สภาพของในหลุมนั้นไม่ใช่หลุมดำในสเปสนั้นเราจะเห็นทุกอย่างเลยสว่างอันนี้คือกาแล็กซี่อันนี้คือดาวดวงกันนี้คือว่ออคือ จักรวานน้อยจักรวาลใหญ่อั น, นี้เป็นอะไรอะไรจะเห็นรู้ชัดแจ้งหมดเลยเช่นเดียวกันก็จะรู้จักสังกปะ7คืออ่านนามนามในในในในใจอ่อานตักตะตามที่พระเจ้าทัสอสอนในมหาจากาักรีสังกัติเลยจะอ่านตักกะวิตกะสังกปะนี่รู้ได้นะแล้วมันก็จะมีตัวอปปนาพยัปนาเจตโสพินิลมันมีสอง สองสภาพสภาพเจโตกับสภาพปัญญานะสองสภาพสภาพอัปปนาพย ป, ปนาเจตโพินนโรปนาเนี่มันเป็นสภาพของพลังงานด้านด้านสเตติกสเตติกเอนเนอร์จีหรือด้านโพเทนเชียนเอนเนอร์จีส่วนตักกะวิตกกะกาสังกปา น, นั้นเป็นพลังงานเป็นพลังงานดนามิก เ, เป็นพลังงานอันนี้สลับกันยังไงเนี่เขียนพลังงานจนแต่สเตติกเอนเนอร์จี อันนี้เป็นพลังงานศักย์จะไดนามิกยังไงเฮะตับกันนะพลังงานศักย์อ่อพลังงานศักย์มันสตติกพลังงานจนจัลนะมันไดนามิกนะมันคลาติกเอนเออร์จีส่วนพลังงานศักย์นั้นโพเทนเชนเอนเออร์จีอ่าแม่นี่หลุดตาไปยังไงอ่าหลุดตาไปนิดหนึ่งสลับกันนิดหน่อยอที่จริงแล้วนี่ใน พลังงานในยี่ก็ตามมันเป็นอาสวะอยู่ในนั้นมันไม่ได้หมายความว่าในจิตจริงๆนี่ชีวิตติณรี์มันจะหมดมันมีชีวิตติณซีอยู่มันทํางานเป็นอาสวะเหมือนตัวยี่ที่เคยอธิบายฟังแล้วมันไม่ทํางานหรอกมันเป็นพลังงานสักไม่ทํางานแต่พลังงานมันก็ยัแตกตัวมันก็ยังทางานอยู่อีกเจริญของมันไปตามอํานาจของมันไปตามบารมีของมันอยู่ ส่วนออกตัวเต็มๆจริงๆนั่นคือพวกไดนามิกพวกเคนติกเอนเนอร์จีเคนติกเอนเนอร์จีก็คือตัวสภาวะที่มันเป็นบทบาทตะ ก, กะวิต ก, กะสังกปะเราจะมียายละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, นพวกคุณฟังก็อาจจะเข้าใจแต่อาจจะยากที่จะว่าเราเริ่มดำมบิจิตตะ ก, กะเนี่ยคือมันเริ่มดำมบิแล้วเนี่ยมันเริ่มคิดเริ่มดำมบิเสื้อตมาธิบาละเอียดไปจนกระทั่งถึงด จิต ด, ดําบริเจ็ดอรรถบุคคอรรถบธาคลนิกรมธธ ร, กรมบาตคปรณกรรมทุคคลทิติธาตุธรรมบาตคจนเป็นอุปกรรมบาตคลเจ็ดเนี่ยอธิบายไม่รู้กี่ทีแล้วเพราะงั้นความมันจะเป็นพลังงานออกมาที่จะมาทำงานเป็นกรรมเป็นกิริยาทีนี้พอมันจะทำงานร่วมเนี่ยมันมีตัวที่ปรุงร่วมมันมีตัวที่ปรุงร่วมสัมพยุตอยู่ด้วยคือกราม คือพยาบาทคือกิเลสกันเองใหม่ถ้าเราอ่านแยกแยะมีปิรณปริญญามีธรรมวิจัยสัโพชฌงอ่านออกแยกรู้สมุทยัยรู้ตัวนี้แล้วก็กําจัดตัวนี้เสียในขณะจิตมนะสิการสันกัจปจิตนี่คือมนานสิการทําใจในใจนหรือจะเรียกว่าสังขารก็ได้หรือจะเรียกว่าทําฌานก็ได้กําลังจัดการกับจิตของเราจัดการรู้กิเลสและเผากิเลสทาลายกิเลส ถ้าเรารู้ตัวกิเลสตัวกามแล้วก็ทําลายกําจัดหรือรู้พยาบาทก็ทําลายกําจัดซึ่งเป็นมิจฉาสังกปะเอาตัวมีหิงสาวไว้ก่อนมันมันรายละเอียดอีกชั้นหนึ่งชั้นแรกก็กามกับพยาบาทกําจัดมันได้มันก็ไม่มีเหตุมันก็วิปยุทธเหตุมันไม่ซ้ำประยุทธเหตุซ้ำประยุทธ์คือมันไม่มีตัวนี้ไปรงรวมด้วยมันก็ไปสังขารได้เป็นวิสังขาร สังขารที่เป็นวิตกกะเพราะงั้นไอตัวดำริตัวนี้มาวิแล้วมันไม่มีตัวกิเลสไปสังขารตัวนี้วิตกกะเป็นตัวที่ดำริแล้วดูวิจาระความประพฤติของมันแล้วไม่มีกามแล้วมันก็ปุงแต่งได้โดยไม่มีตัวเหตุประกอบก็เป็นวจีสังขารพร้อมจะออกไปมีพลังเป็นวจีกรรมเป็น กรรมมันตักคือมันก็ไปเป็นพลังที่จะออกไปซึ่งเป็นนามธรรมเราตามรู้ได้เราจะรู้ได้มันเป็นวิญญัตเป็นวิญญัติที่รูปเป็นรูปที่มันเคลื่อนถึงขั้นกายวิญญัติมันเป็นการมตันกรรมกรมันตักเนี่ยกายวิญญัติมันทํางานอย่างหยากหรือมันเหลือแต่วัจีวิญญัติเป็นอาการเคลื่อนไหวที่ให้เกิดวัจจิวิญญัติมันจะมีสภาพปรากฏให้เห็น เป็น expression นะหรือเป็นอะไรเป็นตัว expression เป็นตัว manifestation นะมันเป็นตัวแสดงปรากฏให้เห็นมันจะมีตัวนั้นให้เห็นเลยนะมันจะเป็นตัวปรากฏผูนะ้ที่มีดวงตาก็เห็นอาการสภาวะอย่างละเอียดพวกนี้ตาอย่างนี้ละคือ <c oughs> มิจนาญาณคือสัมผัสที่หกที่แท้ พิเศษเลยสับัติติหกทีแท้วิเศษจากสัมปัตติหกสามัญคือโมโนวิญญาณสามัญที่รู้ตาหู้จมูกลิขการกระทบมโนวิญญาณก็ร่วมด้วยเป็นการรู้ร่วมเป็นรู ป, รป ก, กายนา ม, มนกายร่วมทําตลอดเวลาเป็นกายโยที่จะต้องมีนามร่วมประกอบรับรู้รับอะไรแต่นามพิเศษปิญาณทัศนพิเศษที่เป็นวิปัสนาญาณพิเศษนี้มันแยกแยกออกมันรู้อะไรรายละเอียดรู้ตักกบแล้วก็สังกปะหรือว่าฆ่ากามแล้ว พัาพยาบาทข้ามิชฉาสังกปะมิจฉาตักมิชาวิต ก, กะแล้วลงไปแล้วมันก็ไปร่วมดิปยุตตังไม่ไปร่วมประกอบกับการสังขารนะอย่างนี้เป็นต้น น, นี่คือสภาพของการทำงานเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดนี่แหละแม้สังกปะเจ็ดนี้เราเรียกว่ากาย เป็นสภาพนา ม, มากายรางคนที่ไม่รู้เป็นนา ม, มากายทั้งหมดจริงๆนี่คือจิตสังขารตากะวิตกาสังกปะอปนาพยาปนาเจตโสพินโรปนาทั้งหมดเนี่ยเป็นจิตสังขารซึ่งวจีสังขารซ้อนอยู่ในนั้นวจีสังขารที่ไม่ได้ดับกามไมได่ดับพยาบาทมันก็ ปรุงแต่งที่การมสัมปยุตมีพยาบาทสัมปยุตรร่วมอยู่ด้วยมันก็ปรุงมาไปเป็นมีอำนาจจะไปเป็นวิจีกรรมไปเป็นกรรมันตะไปเป็นอาชีพมันก็มีผีร่วมไปด้วยมีกิเลสร่วมไปด้วยแต่ถ้าล้างกําจัดแค่แต่ตรงนี้เนี่ยมณสิกานหรือจัดการ ก, กันตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยเรื่องของคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยก็จะงองรวมทั้งหมดนี่คือคอนเซปต์คือกายโยคอนเซปต์นี่คือกายโย คือสภาพองค์รวมเป็นองค์รวมองรวมของตัวความนึกคิดทั้งหมดเลยเรียกว่างคอนเซปต์จากคอนเซปต์นี้ถ้าผู้เรียนรู้แล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของคอนเทนต์คอนเท็กซ์จะรู้จากสารบัญของมั น, จ ะ, ะม น, นะจะรู้บริบทของมันนะจะรู้บริบทของมันจะรู้สภาพของมันคือ จะรู้ในรายละเอียดต่างๆว่าเราจะสามารถมีอะไรแยกแยะอะไรอะไรเป็นอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้ น, น, นเป็นคอของหัวหัวเมื่อสารบัญได้แล้วในสารบัญเช่นลักษณะของภาวะรูปอิอทธิภาวะพอดีจากที่เราสัมผัสไม่ทิ้งนะภาษาทรูปโคจรรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปรสเปลี่นเสียงสัมผัสไม่ทิ้งนะเป็นอุปาทายรูปสักสิ้นนะรวมเป็นกายในกายและก็รวมไปข้างในนั้นเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายแหลพวกนี้ในละเอียดก็ไปจนกระทั่งเป็นภาวะรูปก็รู้ว่าตอนนี้นี่มันยังเป็นอิทธิภาวะอยู่นะมันยังไม่สําเร็จนะยังไม่เป็นเป็นุริสภาวะนะอะไรนี้เป็นต้นมันก็จะชัดเจนไปหมดเลยเกิดที่ไหนหัตถายาลูปตรงนั้นเกิดชัดเจนไม่ได้เพี้ยนจะไปจากไปรู้ตรงโูปป้นไปรู้ตรงนี้แล้วเทอะไปที่ไหนไม่มีหรือไปเจาะอยู่ที่ ตัวหัวใจไม่มีมันก็ของมันไปตามที่มันจะไปนะมันเป็นสามารถที่จะรู้ได้นะพุทธิมียานบัญญาจะตามรู้ตัวนี้ได้นะและเราจะรู้ว่ามันมีชีวิตหรือมันดับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ถึงสภาวะของชีวะหรือชีวิตติณสีของมันได้เลยว่ากิเลสมันยังมีชีวิตอยู่หรือกิเลสมันดับ กิเลสดับก็ไม่มีชีวิตติณซคุณจะอานอาการมันออกเลยรู้ความตายความเกิดความดับเพราะฉะนั้นถึงความเกิดความดับไม่ใช่เป็นยกไฟฟ้าปิดไฟออกแล้วก็ไฟปุป่นวกไฟฟ้าออกปิดมันก็ใช่ถ้าจะเพียรเปรียบเทียบมันนั้นก็ใช่ว่าแต่คุณต้องรู้ถึงนามมันทําอย่างที่อาตมาว่าอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายสิไปยกพออธิบายก็แทนที่จะวอกนุ่นไปยกไฟฟ้าหกดวงอีกแล้วไปยกไอ้กระโดดน้ํากระโดดท่าอะไรอะไรอีกแล้ว อธิบายมหานามาทำสิจ่ามหาปรมาทิสิ่งทำไมอธิบายออกไปวัตถุรูปหยาบหยาบหมดนะแล้วก็เทียบหมดแล้วเมื่อไรจะรู้รายละเอียดที่อาตมาพยายามอธิบายมาในสักทีแล้วแล้ว ม, มาอธิบายด้วยกันตรงกันเราจะไม่ต้องมานั่งแย้งกันเลยนะอตาตมาก็อธิบายไปอย่างที่ว่านี่แต่คุณจะเข้าใจไม่เข้าใจอตาตมาไม่รู้นะอคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นบรรจงกระทั้งถึงอาหารรูป ก็คือรูปที่อาศัยอาหารนะรูปรูปที่อาศัยเช่นคุณกวรินกราหารอาหารรูปนี้มีสี่แต่ถ้าอธิบายไว้อยากก็ไม่เป็นไรอธิบายว่าแกวารินกราหารก็ศึกษาเถอะเพราะมันมีกิเลสในอาหารแกกินนี่เยอะแะก็เรียนรู้กิเลสลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเองว่ามันเกิดจากอาหารคุณก็เกิดจากผัสสะเกิดจากเจตนาเกิดมโนสเจตนาเกิดจากนามรูปที่คุณจะต้องรู้ ในนามในรูปของมันจริงๆคือวิญญาณคือทารู้นั่นเองและทารู้ต่างๆที่แจกเป็นเจตสิกแล้วจกนกระทั่งเป็นตัณหาเป็นกิเลสเป็นอะไรคุณก็รู้มันได้อมันเกิดมีผัสสะมีเจตนาทั้งหมดจะเอานามครอบเรยก็ได้มีเวทนา ม, มีสัญญามีเจตนา ม, มีผัสสะมีมนุิการมันก็ทําใจในใจของเรากําลังทําอยู่โดยมีผัสสะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เจตนาของเราเจตนา ม, มันมีสาม การมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะเจตนาตัวที่เราเจตนาจะดับพบคือวิภาวะตัณหาเพราะฉะันมันอยู่ในการมาพบมันมีสร้างพบสร้างชาอยู่คดับเหตุที่มันสร้างทบกามตามลำดับมาก่อนแล้วค่อยมาดับรูปพบอรูปพบเอาช้างทั้งตัวออกจากพวยการกรแล้วค่อยมาเอาหางช้างออกอย่าไปทาผิดขั้นตอนนะอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราจะรู้เครื่องอาศัยเหล่านี้มันมีเหตุปัจจัยอะไรละเอียดละ อ, อ่แล้วก็ค่าถูกตัวนะเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆนี่มันก็จะเปรียนรู้ได้หมดเลยครบหมดปัจสะเจตนาบุญชญเจตนาหรือว่ารู้นามรู้รูปของมันในวิญญาณอาหารต้องมีปัญญารู้ต้องมีธาตุรู้พวกนี้ครบคันนะปฏิเชษรูปอันนี้จะกําหนดรู้หมดเลยว่านี่เรากําหนดเป็น เป็นปริเชตปริเชตคือปริปริเชตทะซึ่งมันคือรายละเอียดของจากคอนเซปต์มามันก็มามีเป็นสารบัญบอกชื่อบอกเรื่องเช่นบอกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจากเวทนาในเวทนามันก็มีเราก็รับรู้ไปมันเกิดจากตาหรือเกิดจากหูเรียกว่าแบ่งปริเชตแบ่งส่วนปริเชตแบ่งบริบท ที่ปริเชนนี่คือบรอิก็ยิ่งก็บริบทคือรวมเป็นสารบัญเป็นครข้อๆปริเชนนี่แยกออกมาแยกออกมาจากเวทนาก็มาดูว่าในเวทนามันมีตันหาอย่างไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นตัวลึกเข้าไปอีกเป็นคอนเท็กซ์ลึกกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นหัวข้อเป็นอะไรบอกๆรายละเอียดของในนี้มีอะไรบ้างนะ เช่นมนโนปวิจารณ์นโมเดียจาร์มีคอนเทนต์อะไรมนโนปวิจารณ์ก็มีตากระทบหูจมูกลิ้นกาย6ทวารแล้วก็มันเกิดอาการสุขับการทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าทุกตาหูจมูกริ้นกายเป็น18นี่คือคอนเทนต์ของมันเราก็เป็นเรียนรู้ว่าตอนนี้คอนเทกต์ของมันคือไอ้ตามันมาแล้วตอนนี้กระทบรูปและในกระทบรูปนี้ก็ดูปริเชศ ต, ต่อไปกระทบรูปแล้วมันมีกิเลสไหมกําจัดกิเลสไปแล้วก็กิเลสลงไหม เป็นอุเบกขาในคขมะรือยังหรือว่าลดในคขมะลดละลงไปได้ได้ยังคอนเท็กซ์ก็เป็นส่วนๆส่วนๆวนตัดช่องจนกระทั่งมันหมดกิเลสเป็นช่องว่างปริเชตคือช่องว่างความว่างเป็นอากาศอย่างนี้อีกนี่คือจะต้องรู้รายละเอียดของสัน ต, ติความเกิดจากการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ทั้งมวลไปเลย ตอนนี้เพราะเหตุนี้ทำเหตุนี้หายจึงมาเป็นอันนี้จากเหตุนี้หายจึงมาเป็นอันนี้เป็นอิทัะปยตาแล้เป็นปัจจัยการชัดเจนไปหมดเลยแม่เป็นนามมารำก็ต้องรู้นี่คือรายละเอียดอาตมาดูเวลาไปแล้วโอโห้มันจะหมดอีกชั่วโมงหนึ่งเลยเนี่ยนะมันจะไม่ได้ตอบประเด็นคนส่งประเด็นก็มีมาเจ้าเดียวอาตมากเ็เลยเรื่อยๆเขายังไม่มีคนส่งประเด็นม า, มากเอาขอไปอีกนิดหน่อยงั้น ถ้ามีคนส่งประเด็นมาอีกก็ค่อยว่ากันถ้าไม่มีประเด็นอาตมาอธิบายต่อออมมีแล้วเอาไปอมไว้ไม่มาให้อาตมาก็ไม่รู้ว่ามีปัจทุบัอาตมาก็จะไปรู้ความจริงได้ไงเอาไปถืออมไว้ที่ในมัวจะฟังเพิ่นอนสนใจแต่ฟังทำแล้วไม่ส่งไม่ทํางานส่งประเด็นอ้ า, อาต่อนิดหน่อยเอาอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ เพราะฉะนั้นในมหาภูตรูปสี่มันต้องเกี่ยวเนื่องมีสันตติกันตลอดมานะมีคอนติเนวัมตลอดเลยมันเชื่อมโยงกันมาตลอดเลยปฏิพัติกันสัมผัสกันตลอดมาเรื่อยไม่มีขาดแต่ของคุณนี่ตัดเปตอนตอนตอ น, ตอ น, ตอ น, ตอนแบง่งไม่โมแบ่งส่วนเป็นธรรมะแบ่งส่วนไม่เป็นธรรมะองค์รวมเนี่ยไม่เป็นธรรมะองค์รวม แบ่งส่วนตัดคอร์ดลาเก็มมันก็เลยไม่รู้แจ้งในรายละเอียดทั้งหมดเ <c oughs> พราะฉะนั้นสรุปแล้ว <c oughs> อาตมาไม่มีเวลาไม่ค่อยต่อทีหลังตาทายรูป2ีสี่เนี่ยจะสามารถเข้าใจและมีปัญญาญาณจะรู้รูปต่างๆพวกนี้ที่เป็นรายละเอียดมันค่อยลงมามันถูกรู้ และไอที่ตัวรู้คือนามมาทําเป็นวิปัสสนาญาณญาณนี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสามารถรับก yes ิเลสได้ก็เป็นมโนมยิทธิมีฤทธิสาเร็จสามารถฆ่ากิเลสได้มโนมยิทธิทําให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นก็หลากหลายขึ้นเรียกว่าอิทธิวิทะหรืออิทธิวิธีเป็นญาณอิทธิวิทญาณเน่ยเป็นญาณที่ได้มากหลายลีลาต่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโอ้โห วิเศษขึ้นเรื่อยๆสามารถเหนือกว่ามนุษย์ทําได้เหนือกว่ามนุษย์ทำได้วิเศษกว่ามนุษย์มนุษย์ทนต่อราบไม่ได้ทนต่อยอดไม่ได้ทนต่อสั้นเสริญตนต่อกามหลุดรอดกินเสียงไม่ได้ทนต่อโลกกระทำไม่ได้เราทนได้ไม่ต้องทนทนได้อย่างตรงไม่ต้องทนแล้วอยู่เนื้อมันอยู่เนื้อมันเหมือนเดินบนน้าเหมือนลงไปดำในดินได้เหมือนเหาะบนเหมือนนกอิทธิวิทยามันเก่งอย่างนั้นนะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมีทิพย์โสตยาน วิชาแเพราะสามารถที่จะรู้ละเอียดขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแม้อยู่ไกลเหมือนได้ยินเสียงกลองตั้งแต่ไกลไม่ใช่กลองอย่างเดียวได้ยินเสียงแต่ไกลก็แยกได้ว่า น, นี่เป็นกรองไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสใกล้ๆยู่ตัวตนเท่านั้นความละเอียดความเก่งของยานปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ถึงขั้นลักษณะต่างๆวิไม่ขอให้ไม่ใช่ลักษณะอาการต่างๆเป็นวิกาลต่างๆ อาการนี่ลึกจนกระทั่งถึงแทบจะไม่มีแล้ววิการะเพราะฉนนั้กาลวิกาลอาการต่างๆก็มันถึงขั้นละเอียดละเอียดบางเบาได้ยินเสียงแววมาจากไกลแยกได้แหละระหุตานั่นมันเสียงเปิงมางนี่ยมันเสียงกระโถนแยกได้รู้ได้ได้ยินแต่เสียงนั้นรู้ได้เลยแม้จะเบาแม้จะได้ยินค่อยๆจากที่ไกลๆก็ตาม อย่างนี้เป็น ต, him, him. ต้นหรือตาที่จะไปไกลทูล琅กังวังไปไกลเห็นไปไกลตัวตาพิเศษได้แต่ก็ไม่ลึกลับเห็นจริงไม่ต้องลึกลับมีเหตุปัจจัยครบสามารถได้ก็ไวากกันแต่ไม่ได้เห็นอย่างประหลาดประหลาดลึกลับเห็นรู้ว่าอะไรคืออะไรมีเหตุปัจจัยแล้วมันประกอบไปด้วยกิเลสหรือไม่และรู้กิเลสแยกกิเลสได้มีธรรมวิจัยสัพพชฌองหรือมีตีรณะปริญญา สามารถแยกได้แล้วก็กำจัดกิเลสได้จริงเป็นทิปปโสร์ยานสามารถทำได้จนจบมีเจโตปริยาณสิบหกเป็นเครื่องวัดมากวัดวันนี้คือสาราคะนี่คือสะโทสะนี่สโมหะนี่ประกอบขึ้นมามันมีนะนี่นมันมีสภาพราคานี่สภาพโทสะโมหะเป็นต้นตระกูลมันแล้วทำให้มันวีตะวีตาราคาวีตะโทสะทำให้มันไม่มีไปตามลําดับ ทำแรกๆไม่หมายได้สังกิตตังมิจตังจิตตังได้มันก็ยังแย่ยังต้องระวัดระวังต้องเข้มงวงมันยังไม่อะไรตามตามจริตจริตเจโตนี่ก็จะเป็นสังกิตังจิตตังจริตปัญญาก็จะเป็นวิกิตังจิตตังมันคงจับไม่ค่อยติดแต่เจโตเนี่ยประเภทสังกิตังจิตตังก็ไม่จับแล้วมันแข็งมันทำให้มันแย่ออกยากไอ้มันกระจายจับไม่ค่อยติดไอ้นี่แยกออกยากทําลายมันยาก มันก็คนคนละจริตเท่านั้นเองก็ทําให้มันเจริญขึ้นให้มันสูงขึ้นเป็นมหากกรตะถ้าทําไม่ได้คุณก็เป็นอมหากระตะถ้าทําได้ก็เป็นมหากกรตะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นมากขึ้นมหากกรตะดีขึ้นเจริญมากขึ้นมากขึ้นอัคคะมากขึ้นเป็นเอกกขะสูงขึ้นสูงขึ้นเอกะคือตัวเราเองอัคคะคือเลิอดยอดสูงขึ้นสูงขึ้นนีื่อยเรื่อเป็นเอกกกรตาขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็สูงขึ้นไปจนติ่งก็ลดสุก็ลด ขึ้นเป็นอุเบกขาดับกิเลสแล้วแล้วก็หมดสุขหมดทุกสุขทุกที่เป็นโลกีหมดเพราะเหตุมันดับดับสุขดับทุกเห็นความดับความเกิดของกิเลสก็ไม่เกิดมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันดับก็รู้ไม่เหมือนมันดับเห็นไม่ใช่ไปยกสวิตช์เท่านั้นก็บนไฟก็มาปิดสวิตช์ไฟก็ดับุมปปับเฮ้ แล้วก็ไม่เห็นมันมามาจากสายยังไงนี่เห็นไส้มันหมดเลยอย่าว่าแต่สายมันเดินสายยังไงมันมาอยางเห็นตลอดเหตุปัจจัยหมดเลยทุกอย่างเลยละเอียดกว่าสายไฟฟ้าน่นละเอียดกว่าท่อสายดวงไฟของคุณที่เอามายกตัวอย่างนามาทำเห็นหมดเลยสภาวะอย่างไรยังไงเพราะรู้จากเวทนาในเวทนาจิตในจิตชัดเจนแยกจิตออกเลยเจตโตปริานจนกระทั่งจิตมันดีเป็นสั สอุตรจิตจิตเป็นดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่มันยังมีดีกว่านี้อีกยังไม่จบยังไม่จบต่อไปเรื อ, อเท่าไรเรื้อนี้เนน้อยทำให้มันหมดเป็นอนุตรจิตให้ได้จนสมบูรณ์เป็นสมาหิตังเป็นวิมุติเศษทุลีของอัสมาหิตะก็ต้องล้างออกด้วยอรูปฌานเศษของอักวิมุติจรนมาก็ต้องล้างออกให้มันหมดด้วยอรูปฌานดังนี้เป็นต้น จนสิ้นอาสวัคยายานทาแล้วก็ลงบัญชีบุฟเฟนในวาสานุสติยานจดตูปปาตายานอาสวัคยานคุณก็ตรวจสอบเตวิโชตรวจสอบที่ของเราที่เราเกิดเดยังไงไม่เกิดกิเลสยังไงนี่คือวิชาแปดมีไปพร้อมหมดเลยเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจดีมีสภาว่าอธิบายไปแล้วนี่จะชัดเจนยืนยันได้บอกธรรมะพระเจ้าี่ตรวจสอบได้ด้วยตาราของท่านทุกอย่าง มันจะสามารถที่จะวันหลังอธิบายต่อตั้งแต่หัทยรูปชีวิตติลชีวิตรูปแล้วก็อาหารรูปหรือปริเฉทรูปวิญญาณรูปวิญญารูปสองหรือวิการรูปห้าจนกระทั่งถึงลักขณะรูปอีกสี่ไว้ค่อยอ่านต่อวันหลังวันนี้ปิดปิดเล่มก่อนไปอ่านต่อวันต่อไป อแม้จะสนุกยังไงก็โปรติดต่อฉบับหน้าโปรติดตามฉบับต่อไปเพราะอ่านนาว่ายายหนังสือบางกอกเขาเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอ่านหนังสือบางกอกจะเจออย่างนี้ทั้งนั้นแหละโปรติดตามฉบับหน้า อ, ม, อมามาเอาอ้าทีนี้ตอบประเด็น เบอร์โทรศัพท์ตามธรรมเนียมอีกมีทีหนึ่งเผื่อจะมีใครยังจะจดเบอร์โทรศัพท์ฟังนะอาตมาจะบอกทีเดียวอบอกครั้งเดียวแล้วก็ส่งมาเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งมาคือ0885859117กับ088585 เก้าหนึ่งหนึ่งแปดสองหมายเลขด้วยกันอ้าวทีนี้ตอบเลยกลราณมศการพ่อท่านแปดเจ็ดศูนย์ห้าเหมือนอนันตเสนาขันเลยค่ะเหมือนอยังไงอนันเสนาขันเขาก็ตายไปแล้วยิ่งตอนนี้ยังไม่เหมือนใหญ่เพราะว่าสลายไปหมดแล้วเน่าเละเทะมันเหลือซากแล้วมั่งหลายปีแล้วเต็มทีละ แต่ศูนยหจะเป็นเหมือนยังไงนี่ยังมีเป็นยังไปนคนมีชีวิตอยู่นะไม่อยากให้พ่อท่านมาเสียเวลากับเขาค่ะอาตมาไม่ได้เสียเวลากับเขาอาตมาได้เวลากับเขาโอ้ยคุณคิดยังไงคิดไม่เหมือนอาตมาอาตมาได้เวลากับเขานะได้เวลาที่เขานี่มามีประเด็นอะไรที่ให้อาตมามาอธิบายละเอียดละเอียดซ้ําแซะซ้ําแซะซ้ําแซะ ตุกคนที่ไม่ค่อยฉลาดนี่ต้องซ้ำแซ่ซ้ำแซ่ซ้ำแซ่ก็เพราะเขาเป็นเหตุแล้วพวกคุณเป็นไงได้ประโยชน์พอยตีงูก็เลยได้ให้กากินทั้งหลายกาทั้งหลายเอ๋ยตรงนี้พวกก า, ก า, กาขาวกาขาวกินงูอ้าวนะาขอบคุณที่ทำไไปยุ่งเขาอะไรเงี้ย อ่าก็อัตมาก็ไม่ได้ไปยุ่งข้รอร้องอัตมาก็เห็นว่าเขาก็นางสาร mm. ก็ช่วยการไปนะก็ไม่น่าจะต้องไปใจดีใจดําำเลยนะใจดีก็นแล้วกันนะนไปใจดําทําไมนะ <c oughs> อ้าวต่อมาคนนหัวเล็บมีคนอุบลนะในหันวเล็ บ, น บ, นบคนยายคนนี้ยายแก่คนแก่ไม่เป็นยาย นะแสดงว่ามันจะเป็นตาคนแก่ข้างบ้านปากจัดวงเล็บไม่น่าดูปากจัดน่าดูว่างั้นวงเล็บไม่พูดไม่แต่เขาคงเรียบมาว่าไม่ไม่น่าดูแต่เขาบอกแม่คนแก่ข้างบ้านเป็ปากจัดน่าดูนะอ่านทจำนวนเต็มไม่ต้องอ่านในวงเล็บไงคนแก่ข้างบ้านปากจัดน่าดนะูถ้าอ่านวงเล็บก็คือคนยายแก่ข้างบ้านปากจัดไม่น่าดูถ้าอ่านเ็มเต็มทั้งวงเล็บ ทำให้ผมคิดถึงเพลงที่เขาร้องว่ายายจันแกอยู่ข้างวัดป่าแกจัดเหมือนดังตะไก่เช้าเย็นไม่ทันเห็นหน้านางเล็บเช้าเย็นไม่ทันเห็นหน้าดาเป็นฟืนเป็นไฟ <c oughs> <c oughs> อให้มันเหมือนเพลงหน่อยหนึ่งนะม้ายายจันแกอยู่ข้างวัดป่าแกจัดเหมือนดังตะไก่เช้าเย็นไม่ทันเห็นหน้านะ un ดาเป็นฟืนเป็นไฟนะะ เช้าเย็นไม่ทันเห็นหน้าเช้าเย็นไม่ทันเห็นหน้าดาเป็นฟืนเป็นไฟเหนนนะคนแก่นี่ผมเห็นว่าถ้าไม่ลดละกิเลสบ้างคงหน้าเกลียดทั้งหน้ากลัวผมก็กลัวตัวเองจะเป็นอย่างนั้นบ้างเอออ่าผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นบ้างอ่ถ้าตายก่อนแกไม่ได้เป็นหน้าอ่ผมก็กลัวตัวเองจะเป็นอย่างนั้นบ้างจะทำยังไงดีครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับ เพราะตอนนี้อายุก็ป่าก็ไปครึ่งคนแล้วครับปลุมใจจริงๆตั้งใจศึกษาธรรมะอาตมาไม่มีทางตอบอื่นแล้วตอบตอบกําปั้นทุบดินนะนศึกษาธรรมะดินดีนะจะได้มาเป็นคนออเป็นแบบยายแก่คนนี้นะอ่ะตอมาถามว่าทำไมคนจึงกลัวผีนอกตัวไม่กลัวผีในตัวออ โอ้เอาวิชาไม่รู้ว่าผีเนะี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่ในจิตวิญญาณนะไม่ไม่รู้ว่านี่คือผีอยู่ในตัวเราจะวิญญาณไปกลัวผีนอกตัวไม่มีผีนอกตัวไม่มีโอ้ยอาตม า, าต้องเปล่าต้องพูดเราไปไปไปงานผีไตโหงซึ่งผีไตโหงเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมาถึงแสนมั้งของเราถึงแสนหรือเปล่า t s u n a อ่ะกองกันพื้นโลพื้นลึกเลยโอ้โหทาเต้นแอร์ติดแอร์หมอพรทิพย์น้อพาคณะพาพวกไปตรวจกันนู่หูหน่าดูเลยอ่าตรวจกันนู่พราเราก็ไปนอนหลุมฟังศพก็ไปกบอาเมื่อตอนนั้นไปกันไปนอนข้างมันก็ไม่เคยเห็นผีตัวไหนออกมาสักกระตรงังอ่า ให้เห็นนะ่ะสวยนะเพราะว่าอุปทานสร้างมโนโมยตาเห็นมันมีเหมือนกันคนเห็นนะ่ะแต่น้อยเพราะว่าธรรมดาไม่ง่ายที่จะสร้างมโนโมยตาพวกนี้เกิดขึ้นมาจนเห็นได้แต่มันกลัวกลัวสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ปั้นจนสําเร็จไอ้ที่ปั้นสำเร็จนี่แหละเป็นมโนโมยตานี่ยมันทําให้คนยืนยนันโนมีไงยืนยนันโนมีมันจริงจริงมันเป็นภาพลวงมันเป็นภาพมโนโมยตานิมานราดีปั้นขึ้นในอํานาจให้เฉยเฉยนะเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นมัน ความจริงมันไม่มีผีแต่นอกตัวไม่มีถ้าผีนอกตัวมีเจ้าวเออรอยากจะปานอธิบายแล้วอธิบายอีกที่ตายไปเนี่ยตายหงคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดคิดถึงหลานพ่อแม่ลูกหลายไปเดินหาศพพ่อแม่ถ้ามันมีตัวมีตนก็ ม, ม, มาควักลูกเลยนี่มามาจูงมือมานี่นี่พบพ่ออยู่นี่ศพแม่อยู่นี่ศพลูกอยู่นี่มันก็แปรถอยนี่ปรากฏว่า โอ้ให้หมอพอรทิพย์ตรวจเอ e ็นเอแทบตายเลยกว่าจะรู้ว่าศพใครเป็นใครแทบแย่เล ย, เยมันไม่มีนะ่ะถ้ามีนี่นะคนตายแล้วนี่นะมันมีจิตวญญาณมีเป็นตัวเป็นตนตมาหากันได้จริงๆคนที่พยาบาทกันตั้งแต่เป็นๆแต่มันทำลายไม่ได้นมันติดคุกพอตายไปแล้วเนี่ยมันมาบีบคอคุณตายนะ่ะหมดแหละ แล้วมันก็ไม่ต้องติดคุกเพราะมันไม่มีตัวให้ตำรวจจับได้ตำรวจไทยไม่เก่งหรอกจับผีไม่ได้ครับไม่เก่งให้ตายก็ไม่เกง่งตำรวจไทยจับไม่ได้ครับมันมาบีบคอตายหมดแหละหรือคนรักกันมันก็ต้องมาหากันทุกวันทุกคืนสิตายแล้วก็ต้องมาหากันสิแต่ปรากฏว่าไม่คนมีเราไอท้ทีมีอุปทานนั้นน่ะเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆ มาน้อยน้อยน้อยรายมากมันจะมีอุปทานเกิดเป็นตัวเป็นตนตมันหลอนมันหลอกบ้างถ้ามาได้จริงมันมามากใช่ไหมคนพยาบาทตอนเป็นๆมันฆ่ากันไปแล้วมันก็ฆ่าแล้วอะ่ะมาฆ่าหมดเนี่ยไม่เหลือหรอกเหตุผลพอฟังได้ไหมอ่าเพราะงั้นหยุดกลัวได้แล้วผีนอกตัวนะั่นแหละหยุดกลัวได้แล้วผี่พีนอกตัวจริงๆ ถ้ายังกลัวยอะเอาคาถาอาตมาบอกแล้วแค่าตายแค่า ต, าตายเดินไปไปอ้ตรงไหนมันผีมันเห็นเห็นตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะเดินก็ไปสู่รดิมจะรู้เลยมันไม่มีอะไรหายว่าไปหรือมันมีเหตุปจัจจัยบางทีไอ้หม้อไอ้ดำๆสวมอยู่ที่สวม อ, อยู่ที่ไอ้ตอโอ้โหหรือว่าผีหัวผีเดินก็ไปปัดโถ่ไอ้หม้อขมาหลาดำหรือไม่มีอะไรนอก บางทีไหวๆนะมีไม่ไหวไปดูเถาโถไอ้ต้นไม้ทำไมอตรงนี้ไอ้อะไรต่างๆเข้าไปดูเถอะบางทีก็หนูมั่งมาแรงมั่งกลุกกริกยูงนั่นนึกว่ามันเป็นเงิอย่างนี้เดินเข้าไปพิสูจน์จริงๆแล้วจะหายกลัวหรืจะรู้เลยมันไม่มีไม่มีผีนอกตัวนอกจากอุปทานนะไอ้ที่เห็นอุปทานทั้งสิ้นเป็นตัวมโนมยอัตาที่ปั่นขึ้นมาเองหลอกตัวเอง แล้ไม่ง่ายคนเห็นนะมันซวยเห็นเทวดาก็ซวยห ล, ลงว่ามันจริงไงเห็นพบเห็นผีก็ซวยเพราะจริงๆผีดูอาการลิงคนิมิตอ า, าการว่ามันอย่างนี้อาการอย่างนี้แล้วสัตว์นรกผีอาการอย่างนี้เทวดาเก้เออลดกิเลสได้อย่างนี้มันเทวดาแท้อุปติเทพมาเรียนนี่มันชัดๆตามพระพุทธเจ้าสอนหน่อยสิ <c oughs> อ้าวต่อประเรียนลาคต อ๋อคนนี้ป ร, ริยันลาพ์ผมขอบวชคิดว่าจะบวชไม่สึกนะผมขอบวชคิดว่าจะบวชไม่สึกแต่ต่อมาก็สึกมามีเมียมีลูกสาวคนหนึ่งนะมีเมียมีลูกสาวคนหนึ่งตั้งใจว่าอยากให้เรียนสูงสูงแต่เขาก็ไม่อยากเรียนก็เลยให้เขาทํางานจนกระทั่งมีหนุ่มมาชอบนะ ผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยยินดีนักเพราะรู้อยู่ว่าชีวิตคู่มันทุกข์และอีกอย่างผู้ชายก็ชอบลูกเออชอบชอบลูกเหมือนผมตอนนมนมผมผมอีกอย่างอีกอีกอย่างผู้ชายก็ชอบลูกเหมือนผมตอนนมนมทำไมชอบลูกเหมือนผมตอนนมนม ผมกลัวว่าจะชิงสุกรหามผมกลัวว่าจะชิงสุกรหามผมจะทำอย่างไรดีเพราะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดแต่ก็ปรงไม่ได้คล้ายกับรู้หมดแต่วางไม่ลงรู้สึกทุกข์ครับเห็นใจเห็นใจเห็นใจมันยังไงได้เพราะว่ามันโล่มันพาเป็นเตือนสอนแนะนำนะ อ, อย่าไปแต่งงานพระพุทธเจ้าก็สอนออคนที่อะไรท่านว่าอะไรน ะ, ะคนที่บัณฑิตอยอูตั้งตนเป็นคนโสดไปเป็นบัณฑิตนะผู้ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักไฟเมถุนย่อมท่านบอกคนโง่ด้ยนะคนโง่ฝักไฟเมถุนยอ่อมเศร้าหมอง ม่นบอกคนโง่เลยบัณฑิตไงบัณฑิตนี่เป็นผู้ฉลาดไงตั้งจนเป็นคนโสดมันก็เป็นบัณฑิตส่วนคนโง่นั้นฝักไฟเมถุนย่อมซ้อมองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจา้าเราก็ไม่อดไม่ทนเอาไม่มาล้างกิเลสให้มันได้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่รอดตัวมาแล้วก็มาไม่มีไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวลดกิเลสได้จริงนี่โอ้โหประเสริฐ สุขสบายเบาหมดภาระยืนยันได้เลยความจริงพวกนี้พิสูจน์ได้แล้วก็ก็ใครไม่เชื่อก็เอาเถอะทุกใครทุกมันนี่คุณก็ต้องทุกข์อัตมาจะแก้ให้คุณได้ไงอ่าอ่ก็พยายามสอนเขาให้เขาปฏิบัติธรรมบ้างอะไรบ้างนี่เป็นต้นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอื่นหลอกตั้งใจภาคเกีย น, นะหรือแม้แต่ผู้ชายที่มานี่ก็ให้เขา ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรจะได้บ้างพยายามสอนเขาเออมันก็เป็นกิเลสนะถ้าไม่แต่งได้ดีนะไอ้หนูเอออะไรก็ว่าไปอบอกลูกเขาด้วยนะลูกเราก็เอ้าไม่แต่งได้ดีนะอะไรก็ว่าไปถ้าสุดวิสัยก็ต้องปล่อยและวิบากใครวิบากมันเขาไม่รู้ทุกข์ก็วิ่งหานรกวิ่งหาทุกข์กว่ากันไปก็คนเราในโลกนี้มันทั้งนั้นนี่ในโลกมันไม่ง่ายมันทั้งโลกนี้่มาสอนนี่มันเหมือนจะแค่ขวางคลองเนาะ ในเค้กคว้างคอ ง, อ, งอุย้ยเขาแต่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนี่ยโอ้โหนี่ข่าวค้าวก็โอ้โหนี่ดาราไม่เห็นมันก็ต้องเห็นเพราะมันออกข่าวกันจังเลยน้าดาร า, ราคนนั้นคนนี้ดีอกดีใจแต่งงานกันคู่นี้คู่นี้อู้ไม่รู้กี่คู่ทวันี้เขาก็ว่ามาโชว์กันน ะ, ะก็ว่ากันไปอก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะเพราะงั้นเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้และคุณก็จะต้องหัดวางทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรม กรรมมันกรมมุนาวัตะตีโลโกโลสัตวโลกก็เป็นไปตามกรรมนะใครทนไม่ได้ไม่เชื่อก็เป็นไปตามกรรมใครเชื่อก็พยายามปฏิบัติประพฤติไปให้ได้เนี่ยก็ยังเห็นหน้าอยู่ในมีคนพยายามเชื่อแล้วก็พยายามทําตามเอาให้ได้นะนะขึ้นคานทองให้ได้น ะ, ะจากจั ก, กรพลพรรษานี้ตั้งตาบะข้อเดียว คือรู้ดีเท่าไรจะทําดีให้หมดโอ้โหตะกระจังรู้ดีเท่าไร่จะทําดีให้หมดเท่าเท่าที่รู้เท่าเท่าที่รู้รู้โอ้โหไอ้รู้นี่มันมันไม่ยากเท่าไร่นะมันรู้นี่มันจะเยอะนะไหวเลอะแบ่งเอาบ้างนะแต่มาว่ามันจะมากไปนะมันจะไม่ไหวนะนะเดี๋ยวเข็ดนะเดี๋ยวเข็ดเดี๋ยวอะไรก็ไม่ได้ไนอนี่ก็จะเอานี่ก็จะตายพปเล เพราะตอนนี้ก็ปฏิบัติรรมาสามสิบกว่าปีแล้วก็ยังปฏิบัติไม่หมดสักทีนั่นนะทีแบ่งเขาไปสารภาพเองแล้วสงสัยคงปฏิบัติข้ามชาติไปอีกแน่อาตมาว่าค่อนข้างจะไม่ต้องสงสัยก็ได้นะเอาภาคเพียรดูตั้งใจดีเหมือนกันอา่านขพยายามอาจากการเจนบุรีโลกรนรกเป็นลักษณะอย่างไรครับ โลกันตะนี่นะภาษามันมีคําว่าโลกกับอันตะอันตะแปลว่าปลายสุดที่สุดนั่นเลยสุดเลยนะรวมจาแต่ต้นนีไปหาปลายเลยนะสุดเลยเยอะเลยนะอันตานี่ไม่ใช่ว่ามินเดียวนะอันตะหรืออันตานี่นะนิดนึงมันก็ใช่แล้วสองนิดก็ใช่ห้านิดก็ได้ยาไปสุดโลกโลกันตะสุดโลกเลยโอ้โหนะ แล้วโลกนี่นะก็คือโล ก, กีไอ้มีโล ก, กีอยู่ยาวสุดโลกมันจะเป็นยังไงโล ก, กันนั่นคือมหานรกโล ก, กันตะมีลักษณะอย่างไรเพราะงั้นเริ่มต้นมารู้โลกโลกโลกันนั่นเรีว่ามหานรกน้อยๆก่อนก่อนจะไปรู้มหานรกได้เดี๋ยวคุณจะตายก่อนแต่ชักนิ่งชักงอเจอตายตายตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายมหานรกมันขนาดนี้เลยเอานรกไปตามลาดับ แบ่งเอาเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ศีลสมาธิปัญญาแบ่งสีนี่คือเอาแต่พอส ม, มควรของเราคือกำหนดเขตที่เราจะปฏิบัติอ้นั้นมันเกินมันยากหรือมันสูงหรื อ, อยังเอาไว้ก่อนเอาที่ได้ก่อนไปตามลำดับจึงเรียกว่ากำหนดตามขั้นตอนเบื้องต้นทางกลางมันปลายภูจากของเราสอนอย่างั้นไล่ไปตามลำดับตามลาดับแล้วเราก็จะได้นะอา้าวต่อมาจากอุตรดิตพ่อครับพ่อครูครับนะ เมื่อวันอาทิตย์ผมไปซื้อเม็ดมะข่าโมงมากินที่ถ น, นนคนเดินร้านที่ขายอยู่ในซอย46มอ4สันติซอยกลาง46นี่ซอยกลางซอย44แล้ซอย48มันสองข้างอยู่ในซอย46ช่วงที่เป็นตลาดนัดไรสารพิคคลับมอมันก็วันอาทิตย์เ อ, อตลาดนัดที่ซอยนั้นผมรู้มาว่าเม็ดมะข่าโมงซื้อจากชาวบ้านราคา10บาทถึง15บาทต่อกิโล กิโลสิบบาทสิบห้าบาทไม่มาค่าโมงแต่ขายเมื่อปรุงแล้วขายตกกิโลละสองร้อยสี่สิบบาทก็รู้ครับว่าขั้นตอนทำนั้นทำยากแต่หากจะมาขายในแวดวงบุญนิยมก็ไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะครับผมว่าพ่อท่านเห็นอย่างไรครับก็เห็นว่าคนเป็นนี่ คนไปเอาเปรียบเอารัดก็ไปเอาตีราคาสูงมันก็ เ, เป็นหนี้เขาก็เป็นหนี้ไปคนพอมีเงินให้เขาได้ก็ให้เขาไปให้เขาไปเป็นหนี้ซะให้เข็ดเอาเปรียบเอารัดเขาโกงราคาเอาแพงเอาอะไระอะไรคนที่เรากินเลทมันไม่เข้าใจมันตัดละมันขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่มากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละสัจธรรมเพราะงั้นก็ก็เขารู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่รู้แล้วก็ทําอยู่ ก็เป็นเวนเป็นปลายกรรมไก่กรรมมันไก่ทาก็เป็นเชนนั้นนะเพราะงั้นนี่เขาจะฟังหรือไปฟังเพราะตะกราตะกรากี้โลภอย่างงั้นไม่ค่อฟังหรอกที่อาตมาพูดเนี่ยฟังคุณก็เลี่ยงซะไปหามาทําเองที่เม็ดมะข่าโมงกอ่ะนะไปหามาทําเองอ่ามันแทงไม่กินเม็ดมะข่าโมงก็หาเม็ดมะข่าแตะหาเพชรมะมข่าอะไรเอาจริงอ่าเม็ดมะข่ามันมันไม่เหมือนกันนะเม็ดมะข่ากับมะข่าใจต่างกันนิดหน่อย อ่าเม็ดมะขามนี่นะมันเป็นยาไล่จุดตื่นได้ด้วยนะเม็ดมะขามอ่มะขามงมะขามแต้ตรงนี้ก็ก็ไปเอามาแต่งกันได้นะมะขามแต้ก็ได้มะขามงก็ได้อะไรแล้วแต่เลอาละมันมีอื่นแทนก็ได้ศึกษาหน่อยนะพอชั่นว่าพอชั่นนันการต่างๆก็ศึกษาบ้างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอต่อมาจากชัยภูมิอาจารย์สองอาจารย์สองคน โดนฟ้าผ่าตายเขาทำวิบากกรรมอะไรไว้หรือครับพ่อท่านโอ้จ่า ย, า, ยายตายมาถามผิดคนแล้วอัตมนี่แมใครเอาวิบากกรรมมาให้อัตมาตอบนี่มันมคุณพลาดหวังแน่แน่เพราะอัตมาไม่เก่งไม่บังอาจอัตมาไม่ตอบเราอัตมาไม่เก่งอ จ, จิมไตพวกนี้ผู้ดีท่านเก่งอะไรรู้ไม่ชงไม่ชี้เก่งอา จ, จารย์รูปนั้นรูมนี้เก่งก็ไปถามกันเถอะ อก็ออออมีคนเขาจงเก่งอ่ะไม่ชงไม่ชี้คนนั้นคนนี้เห็นว่าดังๆังตอบว่าโหทํากรรมนั้นบิบากนั้นอย่างง้นอย่างนี้เก่งจังเลยอาตมาไม่เอาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นไม่ได้สอนที่อาตมาไปพูดอย่างนี้สอนทําอย่างนี้อาตมาท่านอาตมาไม่เคยเพราะงั้น ใ, นใครเก่งกว่าพระเจ้าอาตมานี่ไม่กลัวใครนะกลัวคนเก่งกว่าพระเจ้าคนเดียวกลัวจริงคนที่เก่งกว่าพระเจ้าอาตมากลัว ขนาพดพระรูปเจ้าอะตมา ก, ก็ยังไม่กลัวเลยแต่คนที่เก่งกว่าพระูปเจ้านี่ไม่ไหวอะตมา ก, กลัวกลัวจริงจริงน ะ, ะต่อมาจากกรทมบันไดาทางขึ้นเขาพระวิหารพันปีเขาพระวิหารทันตีมีที่ไหนอ <c oughs> ่ะ บันไดทางขึ้นเขาพระวิหารพันปีทำไมไม่ทำราวบันไดเวลาเดินกลัวตกเขาพระวิหารมัน พ, พันปีแล้วเหถึงหรือยังอ่ะพระวิหารชันเต๋เอเขามีเขาอะ่ะนี่เจียงเขามีเขาบันไดทางขึ้นเขาพระวิหารพันปี อ่าเขามีหารเขาเอะอาตมาก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไม่รู้คุณพูดหมายถึงพระวิหารพันปีที่สันติหรือเปล่าหรือพูดถึงเขาพระวิหารเขาพระวิหารอาตมาก็ไม่เคยไปขึ้นนะไม่เคยไม่รู้ว่าเวลาเดินโกรธตงบันไดตรงไหนก็ไม่รู้เขาพระวิหารอาตมาก็ไม่เคยไปแต่วิหารพันปีที่ที่สัติอโศกนะคือวิหารเราเรียกพระวิหารพันปีอ่าแต่ปัณณนี้ก็ยังไม่เสร็จทันทีนี่ยังว่าจะราบบันไดเลยหลายๆลาพื้นบันไดอะไรๆแห่งก็ยังไม่ได้ทํา นะยังไม่ได้ทำมันยังไม่เสร็จนะก็รอท่านผู้จะช่วยทําอยู่เนี่ยเมื่อไหรจะทําก็ไม่รู้เนะมื่อไหรท่านจะกรุณาก็ยังไมู่้ท่าจะกรุณาเมื่อไหรก็รอไปนะอาตมาก็ไม่รู้จะไป บ, บังคับไปอาตมาก็ไม่ชอบบังคับคนแต่ใครมีน้ําใจใครมีใจก็ว่ากันไปนะอา้าต่อมานี่ประเด็นมังคารที่30มสบผู้รอคอยทางหนีไฟ โอ้รอคอยทางนี้ไฟดิฉันเป็นคนยึดดีแถมถือสาอัตตาจัดอีกตั้งหากโอ้ยึดดีถือสาถือสาอัตตาจัดอีกตั้งหากถือสาได้ถือสาดีโอ้ถือสาได้ถือสาดีอีกแทบจะพูดได้ว่าถือสาตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบก็ว่าได้คือตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆไปจนกระทั่งถึงคนใกล้ตัว วันหนึ่งพายุใหญ่ได้พัดผ่านมาในชีวิตสุดจะฝืนชันยืนไม่ไหวโอ้โหดิฉันล้มป่วยลงด้วยโรคอินเทรนมีโรคโร ค, โรคนี้เลยโรคอินเทรนดิฉันล้มป่วยลงด้วยโรคอินเทรนขณะนี้ดิฉันได้รับการารักษาด้วยคมีโอโรคทันสมัย เป็เทรนโรคทันสมัยขณะนี้ดิฉันได้รับการรักษาด้วยีโมโครบโดสแล้วารักษาครบโดสแล้วเป็นปัญหาคือก็คื อ, คอมะเร็งในอารมณ์อ่ารักษาีโมโครบโดสสื้วนะมะเร็งทางอารมณ์ยังคงไม่ได้รับการเยียวบบยาําบัดแตอย่างใดอ๋อปัญหาก็คืออ๋อรักษาทางมะเร็งอันน้นคง ค ง, งครบโดดแล้วขีโมโลแล้วแต่ปัญหาคือมะเร็งในอารมณ์ทีนี้ยังคงไม่ได้รับการเยียวยาบำบัดแต่อย่างได้แถมมีทีท่าว่าจะลุกลามไปเรื่อยๆเอาสิเพราะหาทางออกไม่เจอนั่นเองหลังจากที่ได้ทบทวนแล้วทําไม่ทราบว่าเป็นเพราะดิฉันรู้จักคำว่าอ น, นิจจังแต่เพียงปากเท่านั้นรู้จักอณิจจังแต่เพียงปากเท่านั้นส่วนใจนั้นนอกจากไม่เคยเห็นสภาวะแล้ว ยังรับไม่ได้หรือไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงใดๆรอบๆตัวเราเลยดิฉันอยากจะพ้นจากไฟนรกคุมนี้เป็นที่สุดเพราะมาทุกขทรมานเหลือเกินขออารัธนาพระมาลัยโปรดิฉันด้วยเออมะเร็งในอารมณ์แล้วคุณไปยึดอะไรกันนักกันนาเออมะเร็งในอารมณ์ที่คุณบอกมามะเร็งในอารมณ์ของคุณก็คือ เป็นคนยึดดีแถมถือสาอัตตาจัดถือสาได้ถือสาดีแทบจะพูดได้ว่าถือสาตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนี่คือมะเร็งในอารมณ์ของคุณตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้เล็กน้อยไปจกนกระทั่งถึงคนใกล้ตัวเหมาหมดเลยเนาะผสมแล้วที่คุณจะเป็นมะเร็งในอารมณ์ สมจริงๆก็จะไปยึดอะไรกันนักกันนาเล่าไม่จิ้มฟันยันเรือรบตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้เล็กๆน้อยไปจนกระทั่งถึงคนใกล้ตัวคุณบรรยายของคุณมาในประชดประชันแดกดันอาตมาหรือเปล่าถ้าคุณประชดประชันแดกดันมาก็แล้วไปแต่ถ้าคุณเป็นอยู่จริงในคุณอาตมาว่าสมหรัะที่คุณเป็นมะเร็งในอารมณ์ไปยึดอะไรกันนักกันนาปานนั้น โก็พยายามพิจนารณาจริงๆว่าไม่มีอะไรที่จะไม่ตายพลากจากกันแม้อยู่ด้วยกันคุณจะไปยึดประทมไม้เราเป็นแต่เพียงว่าเกื้อกูลกันอาศัยกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันก็พอแล้วพอถึงเวลาก็ต้องตายจากกันบางคนตายจากกันยังไม่ถึงเวลาเลยเช่นอาจารย์ตะวันก็จะมาช่วยเราหลัด เอา้าแมปแมปนั่งรถไปดีๆเพื่อนเอาไปเผาซะนี่ดำเลยเป็นตอตะโกมาได้รางมาก็ามาทำชาปนกิจกันอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังไม่ทันคิดว่ามันจะถึงเวลาจะตายก็ตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะพรากจากกันโดยที่เราว่ามันไม่คาดคิดก็ได้ตายก่อนก็ได้ตายชาก็ได้นะ แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดในอภินันหะปัจเวกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกันมันพรากจากกันมหมดเห็นความจริงตรงนี้ให้ชัดว่าควรจะไปยึดอะไรแต่ไมาจิ้มฟันไปยันตัวคนใกล้ตัวยึดหมดเป็นเราเป็นของเราเป็นอะไรจถือสาไปหมดเลยถือดีอีกตัางหากคุณเข้าใจนะว่าถือดีคืออะไรถือสาคืออะไรที่คุณเองคุณมีอาการคุณพูดมาเนี่ยคุณบอกอาการของคุณมา คุณก็รักษาอาการเหล่านั้นก็เปลี่ยนที่อย่าไปถือมันนักอย่าไปอะไรมันนักดีไม่ดีเราก็จะตายวันตายพรุ่งอ่าเป็นคีโมเไปเป็นปอดแดงจนกระทั่งให้คีโมมาแล้วด้วยไม่งั้นมันจะเอาอะไรแล้วคุณเอ้ยมันก็ต้องเป็นมะเร็งในอารมณ์เป็นร่างกายไม่พออยเอามะเร็งอารมณ์อีกต่างหากน่าจะมาก็ พูดไม่ค่อยนิ่มนวลเนานะไม่ค่อยประลาะปล่ป ะ, ละก็พูดให้ฟังชัดๆนะเท่า น, นั้นเนะี่ยพยายามคิดให้ดีแต่ว่าอาการยึดคืออะไรอาการเรายึดเป็นเราเป็นของเราไปยึดอรือจะต้องอย่างงี้จะต้องอย่างงี้คุณมาเป็นเจ้าใหญ่นายโตอะไรกันนะณนาอยู่ต้องเป็นวงการนะนท์อันนี้หมดมันไม่ใช่หรอกนะคนเรานี่ถ้าไม่ได้เป็นปงการอะไรใครเราก็ทําที่ของเราให้มันดีๆนะแล้วคนอื่นเขาก็จะ ยอมรับเดิได้ถ้าเราไปยึดไปบงการกเขาเขาจึงไม่อยากยอมรับเราเลยจริงๆแล้วนอกจากเขาจำนวนว่าจะต้องยอมรับเกาจำนวนถ้าไม่อย่างนั้นเขาไม่อยากรับเราใครไปบงการเขาอะ่ะไปวงการคนนึงคนนี้ น, นนะไปอนุนี้ก็ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้โอ้อาอนาจบาดใหญ่มันเป็นอํานาจบาดใหญ่เกินไปนะพยายามรู้จริงๆเรียนรู้จริงๆอิงนะจากคุณพัชชณีคล้ายทอง กลาวน้มัตการพ่อครูดิฉันมีประโยคนึงอยากให้พ่อครูตักเตือนให้สติคนที่คิดแบบประโยคนี้อ๋อจะคิดแบบประโยคนี้ค่ะคำพูดหมายคำพูดเปิดคบคนผ่านถ้าจริงใจก็ไม่ผิดโอ้คบคนผ่านถ้าจริงใจก็ไม่ผิดเอออาตมาว่านี่จะไปแยง้งพระพุทธเจา้าแล้วนะ ค, ал, บ, ai, บ, บ, ach, บ, บ, คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิดคบบรรัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผลนั่นน่าแปลงไป็แปลงสุภาษิตเขาคบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิดคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผลให้สติบอกว่าให้สติคนที่คิดแบบประโยคนี้ให้สติคนที่คิดแบบประโยคนี้ที่บอกว่าคบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิดคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล นเขาเป็นเน้นคําว่าจริงใจก็ไม่จริงใจเท่านั้นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ไปให้หมายตรงที่จริงใจก็ไม่จริงใจท่านให้หมายให้รู้ว่าใครผ่านใครบัณฑิตะคุณจริงใจนะั้ยิ่งจริงใจยิ่งเสร็จเลยคบคนผ่านไปคบทําไมละคนพ่านเพราะคนผ่านมันพาไปหาผิดถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล นี่บอกว่าคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไรผลเอาเถอะครบบัณฑิตจริงใจก็ยิ่งดีแต่คบคนพาลจริงใจยิ่งซวยยิ่งซวยเลยเพราะพาลมันจะพาไปอะไรคุณจริงใจกับเขาถ้าไปจริงใจเสร็จเลยนะถ้าไปคบกับคนพาลถ้าจริงใจก็บอกเอามาคบฉันป เ, license, เป็นเพื่อนเป็นเพื่อเนเพื่อก็เพื่อนไปด้วยกันสิเพื่อก็ต้องทาด้วยกันสิ ภพจริงใจเปล่าเป็นเพื่อนจริงใจเปล่าเป็นเพื่อนเพื่อนต้องด้วยกันทีนะ่เหมือนกับคนสองคนคนหนึ่งจะดูดยาอีกคนหนึ่งไม่ดูดยาคนดูดยาก็บอกเฮ้ยเองเป็นเพื่อนเราเราดูดยาต้องมาดูดยากับเราบอกงั้นนะเองเป็นเพื่อนเราเพื่อนกันจริงจนี่เป่าเพื่อนจริงกันเปล่าถามก่อนนะบอกเองเป็นเพื่อนข้าเปล่าวะ เพืนซีเพื่อนโอ้โหเพื pues ่อนรักกันเลยเพื่อนซี่จริงๆเลยจริงจริงใจเพื่อนโอ้เอ็งเพื่อนขาค่าดูยาแล้วเอ็งไม่ดูยาเอ็งต้องมาดูยากับข้าที่ไอคนนี้ก็โอ้โหต้องจริงใจแล้วต้องไปดูยากับเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็ต้องไม่จริงใจด้วยแล้วไปดูยาด้วยกันนี่ไม่เอาเราเพื่อนต้องจริงใจกันแล้วก็ต้องเป็นด้วยกันไม่เอาแต่ถ้าเพื่อนคนนี้ฉลาดก็ต้องบอกว่าจริงใจเหมือนกันนะเพื่อนฉลาดก็ต้องบอกว่า เออเองเป็นเพื่อนเราป่ะเองเป็นเพื่อข้าป่ะเป็นเออเป็นเพื่อข้าใช่ไหมข้าไม่ดูยาเองมาเป็นเพื่อข้าข้าไม่ดูยาเองมาเพื่อเพื่อข้ามามาันไม่ดูยามันต้องอย่างนี้นะมันถึองอย่าใช้ได้เอานี่ก็เราประกอบไปเท่านั้นเองสรุปแล้วนะนี่เขาบอกว่าดิฉันรู้สึกไม่สบายใจมากๆเขาโพสต์กันในเฟซบุ๊คนหลานดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นโปรดเมตตาด้วยค่ะ ตขอพระคุณจ้ะออย่าไปคบคนพาลเลยจะจริงใจให้ตายยังไงก็ไม่สู้ฟรองคุณจะต้องคุณจะคบคนพาลแล้วคุณจะไปช่วยคนพาลคุณต้องมีอินทรีย์พละคุณต้องมีความสามารถโดยเฉพาะคุณถูกแรงโน้มถูกแรงดูดถูกแรงท่วงดึงดูดจากเขาเนี่ยคุณไม่มีแรงคุณสู้ไม่ได้หรอกคุณถูกคนดึงไปเสร็จหมดเลยคุณต้องมีความ ความความบรรลุธรรมจิตที่บรรลุธรรมจิตที่มันทนต่อผัสสะเหนือชั้นมีอุตตรจิตมีจิตที่เหนือเขาได้แล้วคุณไปคบกับเขาคุณจะมีภูมิคุ้มกันสามารถที่จะไม่ให้เขากลืนเราได้แล้วเราก็ช่วยเขาได้ถ้าคุณไม่ถึงขั้นนั้นนะย่าเลยยาเลยนะยาเลยคบคนพ่าจะจริงใจหรือไม่จริงใจก็ตามเอาประเด็นตรงที่ว่าคุณมีพลังสูงไหม ถ้ามีอย่างอาตมาใน롱มาโปรดในนรกเนี่ยไปโปรดในนรกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาตมาจะโปรดคุณแปดเจ็ดศูนยห้าคอไฟที่อาตมาบางอาจพูด ท, ท่านภูเป็นอาริยะก็ท่านบอกท่านเป็นอริยะเนาะออาตมาจะโปรดท่านเนี่ยอาตมาถ้าเผื่อว่าผมคุ้มกันไม่ดีถูกดึงไปแล้วนะโอ้โหนี่มารลา ย, ยาวมาทั้งมากตั้งม า, ๆๆมาเหตุผลดีทั้งนั้นเลยนะอ่า ถ้าไม่ใช่อาตมานี่เถียงไม่ออกเลยนะเนอะยกตัวอย่างฮะดักหน้าดักหน้าดักหลังดักโน่นดักนี่ดักกูหูสารพัดสารเพยกไม่น้ําทั้งแปดมากกวาห้านะยกไม่น้ําทั้งแปดสายมาโอ้โหยเยอะแยะมาอ้างเองอาตมา ถ, ถ้ามันไม่เหนือไม่ไอะไรนะอาตมาปิวแล้วไปก็แปดเจ็ดศูนย์หน้าแล้วนะนี่จริงๆ แต่จะมาจับได้ทันไปนใบสุน่าก็ทุกทีก็เลยว่าอยเงนี้ให้ให้ฟังะชัดเจนทุกอย่างนะอาสรุปแล้วก็คือจงพยายามนะอย่าไปอวดดีอย่าไปที่เด็ดไปครบแต่จริงใจไม่จริงใจก็อย่าไปครบผ่านแต่รู้ว่าไม่ไม่ดีแล้วจะไปครบเลยอ่เลี่ยงไว้ก่อนจากคนพลตรี ม, มินเพราะท่านครับขณะนี้น้ํามันดิบของบริษัทททท ได้รั่วไหลลงทะเลควบคุมพื้นที่ปริมาณหนึ่งส่วนสองตารางกิโลเมตรณนะบริเวณ <c oughs> อะไรบริเวณอะไรอะไรพลาวติวพลาหรือต่อพลาอัตมาอ่านไม่ออกติวบริเวณติวพราอ่าวพลาโออัตมาอ่านตออ่างกับชะอามันเป็นตัวต่อเต่า อ่านเป็นตัวเต่าแล้วไปอ่านติวที่จริงไม่ไอ้นี่ไม่เอกไม่ใช่ไม่ใช่สารีแล้วไปอ่านเป็นต อ, อ่าตัววอโอ้แมเขียนสงสารคนที่ไม่ค่อยเก่งหน่อสิเขียนตัวชั ด, ช ด, ชดๆน่อบริเวณอ่าวพร้าวกเกาะสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดระยองทําความเสียหายแกทรัพย์กรอย่างยิ่งทางราชการได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้วครับอารายงานออกมาก็คนที่ดูข่าวเขาคงรู้ อ่าใบสุดท้ายยาสองหนึ่งหก 2, 1, ทุกอริยสัจคืออะไรคะโอ้โหคุณถามศาสนาพุทธทั้งศาสนาเลยนะเนี่ยทุกอริยสัจคืออะไรคะถ้าคุณถามศาสนาพุทธทั้งศาสนาเลยทุกอริยสัจคืออะไรตกลงตอบทุกอริยสัจคือคําบรรยายของโพธิรักทั้งหมด จบคําตอบจบคําตอบแล้วติดตามไปเลยตั้งแต่อดีตยันอนาคตนั่นคือทุกอริยสัจอันนี่คือคําตอบอวันขณะนี้วันนี้ก็เวลาหมดลงนะอาตมาก็ขอตอบก็ขยายความอีกนิดเดียวจะหาว่าแหมเล่นลิ้นหน้ามันใช่นะคือทุกอริยสัจเนี่ยก็คือทุกที่คู่ประเสริฐ อริยะผู้ประเสริฐเท่านั้นที่จะรู้ทุกอันนี้ว่ามันเป็นสัจจะที่จริงเนื้อความมันเป็นอย่างนั้นเพราะจะรู้ได้คุณก็ต้องมาอ่านทุกนี้จะอยู่ที่จิตใจเราทุกนี้ก็อยู่ที่เวทนาต้องอ่านเวทนาในเวทนาเป็นและคุณก็วิจัยเวทนานี้ออกเป็นมโนพวะพิจารณ์ปคุณจะอ่านทุกตัวนี้ออกเห็นทุกตัวนี้ได้แล้วมีวิธีบูชาซ้อนให้กําจัดและคุณก็จกาจัดได้ ก็จะเห็นมันดับดับเป็นนิโรธทุกนิโรธได้เพราะดับเหตุไม่ต้องไปดับตัวทุกข์ลงดับตัวเหตุอาจารย์พูดอันดับเหตุแล้วเหตุปัจจัยดับทุกอย่างดับไม่ต้องไปดับที่ตัวตนมันอ่าอ้าวสหรับวันนี้ก็ขอจบตรงจะเปี่ยนตัวนี้เจริญธรรมทุกคน